<c oughs> อะจะนอนนอนวั น, นี้มีตำรวจมาติดต่อว้าน้องหน้า่าจะม า, <c oughs> ม า, าไม่รู้ม <c> า <oughs> อล้รเ่ามีก็ปกติก็จะรับแขกญาติโยมช่วงสองโมงถึงสี่โมงหรือไม่อีกช่วงหนึ่งก็ตอนเช้า หลังจากกลับจากวินดาบาทที่ศาลาวัดยานสังลาลามอยู่ข้างหล่างข้างบนนี้กับข้างล่างก็เป็นวัดเดียวกันนีนน่เออชื่อทัานจากที่ทำจารเหนาบัวตรงนี้ท่า น, นเทศไปในแก้วปิดไทยในสู Ừ, เคยอยู่ศึกษากับท่านเคยพ <ừ, S 2> บท่านกระตุ้นให้ันท่าะว่าไปที่ป่าป่าบันตาหลายคั้งน ừ, ไป้แต่ีสองห้าครัตอน <c oughs> เป็นอทิตดีเไป ừ, ไม่สาารถแตไม่ได้ไปกนอบันไดไปที่เนะได้รับสื่นานดยผูท่านผู้ถึงคยอย่กท่ามาแล้ว กน้มาออกมาเป็นเชาววัชิร์ต่างเมื่อสองปีที่แล้วก็ไปที่ที่เขาใหญ่ที่เขาใหญ่ที่จำใจไปดูธรรม ถวายของเพื่อจิญใส่สร้อยก็ดใส่สรใส่้ยี่เฉย 我要当官了。那到这将。 เป็นเวลาที่จะพูดธรรมะกับญาติอยู่ถ้าท่านจะไม่รีบไปไหนก็ขอเชิญนั่งฟังไปก่อนหรือว่าถ้ามีปัญหาอะไรอยากถามหรือว่ามีความจำเป็นจะต้องไปก่อนก็ได้ไม่ทราบจะจะถามปัญหาอะไรไหม อจะจะฟังธรรมะก่อนไปแล้วว่าจะให้พรนะจะให้จะฟังธรรมะกูก่อนนะได้เงี้ก็เดี๋ยวขอพูดธรรมะไปสักระยหนึ่งพวกเราทุกคนที่เข้ามาหาพระพุทธศาสนา ข้อมหาวัฏก็เพราะว่าเราต้องการทราบความจริงทราบความจริงว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนการดับทุกข์ที่แท้จริงนี้ดับได้อย่างไรเพราะเท่าที่เราได้พยายามแสวงหากันมาพยายามทํากันมาเราก็ยังไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงก็คือความสุขที่ถาวร ที่จะอยู่กับเราไปตลอดการดับความทุกข์ของเราก็เป็นการดับความทุกข์ชั่วครั้งชั่วคราวดับแล้วก็กลับมาใหม่ความสุขที่หาได้หาแล้วก็กลับมาใหม่หาแล้วก็หายไปหาได้มาแล้วก็หายไปต้องหาอยู่เรื่อยๆนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนนั่นเอง เราเกิดมาทุกคนก็สอนเราว่าความสุขของพวกเรานั้นอยู่ที่การหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลพภาชนิดต่างๆหาได้มากเท่าไร่ก็จะมีความสุขมากเท่านั้นแต่พวกเราทุกคนก็พยายามหากันมาตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบัน ความสุขที่เราหาได้มามันก็ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดอยู่ได้เพียงเดียวๆได้เวลาที่เราได้เสพได้สัมผัสได้รับมาพอได้รับมาแล้วมันก็หายไปทำให้เราเกิดความอยากได้ความสุขเพิ่มขึ้นอีกความทุกข์ก็เหมือนกันความทุกข์ที่เราพยายามหนีกันที่ พวเราพยายามจะดับกันดับมันอย่างไรมันก็กลับมาหาเราอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะว่าเราไม่รู้วิธีที่จะดับทุกข์ที่แท้จริงว่าดับอย่างไรการหาความสุขที่แท้จริงเราก็ไม่รู้ว่าหาที่ไหนกันจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรก ที่ทรงค้นพบความสุขที่แท้จริงและการดับทุกข์ที่แท้จริงว่าดับได้อย่างไรความสุขที่แท้จริงพระองค์ทรงค้นพบว่าอยู่ที่ความสงบของใจเรานี้เองและการจะดับความทุกข์ใ ห, ห้ให้หมดไปก็ต้องดับที่ใจของเราเพราะ ต้นเหตุของความทุกข์ของใจนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้แต่อยู่ที่ความอยากของเรานั่นเองพวกเรามักจะคิดว่าความทุกข์ของพวกเรานั้นเกิดจากการเสื่อมของลาบยศสรรพเสริญของความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายแต่ความจริงพระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบว่า ความทุกข์ของพวกเรานั้นอยู่ที่ความอยากไม่ให้สิ่งต่างๆเสื่อมความอยากไม่ให้ลาบยศสรรเสริญไม่อยากให้ความสุขทางตาหูจมูกเิ่นกายเสื่อมหมดไปจึงทำให้เราเกิดความทุกข์ใจถ้าเราไม่มีความอยากที่จะให้สิ่งต่างๆเช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสปลภชนิดต่างๆเสื่อมเวลาเขาเสื่อม ก็จะไม่ทำให้เราทุกข์ใจแต่อย่างใดนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบว่าความทุกข์ทั้งหลายของพวกเรานี้ไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆภายนอกไม่ได้เกิดจากการเสื่อมของลาบยศสารเสริญการเสื่อมของรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะแต่เกิดจากความอยากไม่ให้สิ่งต่างๆเช่นลาบยศสารเสริญ เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณเสื่อมจากเราไปนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ใจของเราเราก็ต้องมาหยุดที่ความอยากของเราดับความอยากของเราอยากไปอยากให้สิ่งต่างๆไม่เสื่อมเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นปกติของเขาที่มีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องพบกับความเสื่อมของราบยศสารเสริญความเสื่อมของรูปเสียงกิน่นรสโผฏฐะเช่นเดียวกันกับพวกเราเีย่ต่างกันตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ใจไปกับการเสื่อมของสิ่งตา่างๆเพราะพระองค์ได้ส่งคนพบ ต้นเหตุของความทุกข์ใจว่าเกิดจากความอยากไม่ให้สิ่งต่างๆเสื่อมไปนั่นเองพอพระองค์ไม่มีความอยากให้สิ่งต่างๆไม่เสื่อมไปเวลาสิ่งต่างๆเสื่อมไปพระทัยของพระองค์ก็เป็นปกติไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ใจไม่เหมือนกับพวกเราที่ยังหลงยังไม่รู้ความจริงอันนี้อยู่ เวลาเราสูญเสียราบยศสละเสริญสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกริางกายไปใจของเราจะมีความเศร้าโศกเสียใจมีความหมดอดหมดหมดหวังหมดกำลังใจบางครั้งถึงกับอยากจะข้าตัวตายนั่นก็เป็นเพราะว่ายังมีความอยากให้ราบยศสละเสริญ ให้ความสุขทางตาหูจมูกร่ากายนั้นกลับมามีอยู่เหมือนเดิมพอไม่สามารถให้ราบยศสรรเสริญให้ความสุขกลับมามีเหมือนเดิมได้เราก็ไม่มีความอยากจะอยู่เพราะอยู่ไปแล้วมีแต่ความทุกข์ใจเพราะไม่รู้ต้นเหตุของความทุกข์ใจว่าเกิดจากความอยากให้สิ่งต่างๆไม่เสือ่อมอยากให้สิ่งต่างๆที่เคยมีอยู่ กลับมาหาเราอีกกลับมาอยู่กับเราอีกพอไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ทรมานใจจนถึงกับไม่อยากจะอยู่ต่อไปก็เลยต้องฆ่าตัวตายไปการฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เป็นการดับความทุกข์ใจเพราะการฆ่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจ เพราะว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นเหตุของความทุกข์ใจเหตุของความทุกข์ใจก็คือความอยากถ้าเรายังไม่ได้ดับความอยากความทุกข์ใจก็ยังไม่หมดไปเช่นเวลาค่าตัวตายไปแล้วความทุกข์ใจก็ยังมีอยู่และกลับจะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่จะค่าตัวตายก็เกิดความความทุกข์ใจขึ้นมาอีกเพราะความจริงแล้วก็ไม่อยากจะตายอีก พอเวลาค่าตัวตายก็มีทุกข์ซ้ำซ้อนขึ้นใหม่ทุกที่เกิดจากการฆ่าตัวตายทุกที่เกิดจากความผิดหวังเส้นหวังเป็นทุกข์สองกองจึงทำให้เวลาตายไปนั่นจะต้องไปใช้กรรมในอบายไม่สามารถไปสู่สุขคติได้แต่ถ้ารู้ักรู้จักทำใจยอมรับความจริงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมีวันหมดสิ้นไปมีวันเสื่อมได้เมื่อถึงเวลาก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวทำใจรับกับความจริงนี้เวลาเกิดความสูญเสียเกิดการเสื่อมของสิ่งที่เรารักเราชอบถ้าเราทำใจได้เราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจเราก็ยังสามารถอยู่อย่างปกติสุขได้และเมื่อถึงเวลาที่เรา ตายไปเราก็จะไปสู่สุขคติได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายนี่คือเรื่องของความทุกข์และต้นเหตุของความทุกข์ที่เกิดจากความอยากของเราเองดังนั้นถ้าเรามาฝึกหยุดความอยากต่างๆได้ต่อไปเราจะไม่มีความทุกข์ใจ เพรนั่นละคือวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญได้ทรงปฏิบัติจนทําให้พระองค์ได้ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปพระองค์จึงได้ทรงนําเอาวิธีที่ได้ทรงปฏิบัตินี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเรา ที่ยังไม่รู้การหาความสุขที่แท้จริงที่ยังไม่รู้การดับความทุกข์ที่แท้จริงนั่นเองการหาความสุขที่แท้จริงก็คือต้องหาความสุขภายในใจของเราหาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจการดับความทุกข์ก็ต้องมาดับที่ความอยากของเราอยากไปอยากได้อยากมีอยากเป็น อย่าไปอยากไม่ไม่ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นจะได้อะไรก็ต้องได้เวลาได้ก็อยากไปปฏิเสธเวลาไม่ได้ก็อยากไปอยากได้ให้ทําใจเป็นกลางเป็นอุเบกขายินดีตามมีตามเกิดดีก็ได้ชั่วก็ได้จเจริญก็ได้เสื่อมก็ได้ สรรเสริญก็ได้นินทาก็ได้ถ้าเราสามารถทำใจของเราให้เป็นอุเบกขาได้แล้วใจของเราก็จะไม่มีความอยากพอไม่มีความอยากใจก็จะไม่มีความทุกข์จะอยู่อย่างมีความสุขท่ามกลางการเจริญและการเสื่อมของสิ่งต่างๆเช่นการเจริญและเสื่อมของลาบยศสรรเสริญและสุข จะไม่มากระทมให้ใจของเหล่านี้วุ่นวายเดือดร้อนแต่อย่างใดใจของเราจะมีความสงบมีความสุขอยู่ตลอดเวลาอันนี้แนะคือความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบของใจและการดับทุกข์ที่แท้จริงก็ต้องดับความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ เพราะถ้าไม่มีความอยากแล้วใจของเราก็จะสงบจะมีความสุขนี่คือหน้าที่ของเราหน้าที่ของการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนปรารถนากันเราต้องการความสุขที่แท้จริงที่ถาวรและเราต้องการดูดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวนไม่ต้องการที่จะพบกับความทุกข์อีกต่อไป อยากจะมีความสุขไปตลอดไม่มีวันหมดสิ้นเราก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติและทรงนํามามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราคือทสงสอนให้ทําทานทานที่พระพุทธเจ้าท่สงสอนนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญมาแล้วก็คือการสลราราชสมบัติมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไร พระองค์ทรงสละหมดสิน้นเสด็จออกจากพระราชวังแล้วก็ไปบำเพ็ญรักษาศีลและภาวนานี่คืองานที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญหลังจากที่ได้สละราชสมบัติแล้วได้ทำทานหมดแล้วไม่มีสมบัติอะไรที่จะทำอีกแล้วพระองค์ก็ทรงสเสด็จออกทรงปณนวดออกบวชแล้วก็รักษาศีลให้ ให้สมบูรณ์ไม่ให้ด่างพร้อยเพราะการทำผิดศีลการทำบาปจะทำให้ใจไม่สงบจะทำให้ใจวุ่นวายจะทำให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ต้องพยายามรักษาศีลคือการกระทำทางกายทางวาจาให้สะอาดบริสุทธิ์คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดผด ไม่เสรสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆเช่นการเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนพบคนชั่วเป็นมิตรความเกลียดค้านการกระทาเหล่านี้จะทำให้เกิดความวุ่นวายใจจะทาจะทำลายความสงบของใจต้องหลีกเลี่ยงการกระทาเหล่านี้ถ้าเราอยากจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวร พอรักษาศีลได้แล้วขั้นต่อไปก็ต้องมาทําใจให้สงบอย่างเต็มที่เพราะการทําทานการรักษาสีนี้ไม่ได้ทําให้จิตสงบได้ร้อยเปอร์เซ็นตให้ความสงบได้บางส่วนแต่ไม่ครบร้อยถ้าอยากจะให้ความสงบนี้เต็มร้อยก็จําเป็นจะต้อง จริจิตตภาวนาคือขั้นแรกก็ให้เจริญสมถภาวนาทำจิตให้สงบหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆขั้นที่สองหลังจากที่ได้ความสงบจากการหยุดความคิดปรุงแต่งแล้วก็คือรักษาความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธินี้ด้วยการป้องกันไม่ให้เกิดความอยากหรือหยุดความอยาก ที่จะมาทำลายความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิการเจริญสมถภาวนานี่คืองานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงปฏิบัติหลังจากที่ได้สงบอผอนวดแล้วก็ทรงรักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาแล้วก็ทรงควบคุมความคิดของตนด้วย การใจสติสตินี้จะเป็นเหมือนอเหมือนเชือกที่จะดึงจิตไม่ให้คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เพราะถ้าจิตยังคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่จิตจะไม่สงบเมื่อไม่สงบก็จะไม่มีความสุขเมื่อไม่มีความสุขก็จะมีความอยากอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็น อยากไม่มีอยากไม่เป็นพอเกิดความอยากก็ยิ่งจะมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้น mm hmm. ก็จะต้องไปทำตามความอยาก mm hmm. เมื่อไปทำตามความอยาก mm hmm. ก็จะต้องไปทำบาปทำกรรมทาผิดศีลผิดธรรมได้ถ้าไม่ระวังระวัง mm hmm. ถ้าไม่มีกําลังที่จ ะ, ะรักษาศีลได้ก็จะไปทำบาปกันพอไปทำบาปแล้วจิต ก, ก็จะ งมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจเพิ่มมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆดังนั้นหลังจากที่ได้รักษาศีลแล้วสิ่งที่จะต้องทำตลอดเวลาต่อไปก็คือการควบคุมความคิดด้วยการเจริญสติสตินี้ก็มีหลายวิธีด้วยกันที่เรารู้จักกันโดยทั่วกันก็คือการใช้การคำบริกรรมพุทโธพุทโธ นี่เรียกว่าพุทธานุสติคือใช้การระลึกถึงพระนามของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือหยุดความคิดปรุงแต่งของเราถ้าเราระลึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ได้ถ้าเราสามารถควบคุมใจให้อยู่กับพุทโธไปได้อย่างต่อเนื่อง ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะพบกับความสุขอันมหัศจรรย์ที่ไม่เคยพบมาก่อนเป็นความสุขที่เลิศที่ปเสริฐเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่จะอยู่ไปกับใจไปตลอดไม่มีใครสามารถจะพรากความสุขที่ได้นี้ไปได้นอกจากความอยากเท่านั้น ดังนั้นหลังจากที่ได้ความสุขันนี้แล้วพอออกจากสมาธิมาก็ต้องใช้วิปัสสนาภาวนาหรือปัญญามาคอยสอนใจไม่ให้ไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ให้ไปอยากมีไปอยากเป็นหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้ามีปัญญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆใจก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ พอไม่มีความอยากอยู่ภายในใจแล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์จะมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็ตามก็ดีหรือเกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆหรือบุคคลต่างๆก็ดีจะไม่ทําให้ใจวุ่นวายจะทําให้ใจทุกข์หรือเศร้าโศกเสียใจได้เลยเพราะใจไม่ได้ไป อยากกับสิ่งต่างๆนั่นเองเพราะรู้ว่าถ้าอยากแล้วจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาจึงปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามความจริงของเขาใครจะอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปใครจะตายก็ปล่อยเขาตายไปใครจะเจริญหรือใครจะเสือ่อมก็ปล่อยเขาเจริญปล่อยเขาเสื่อมไปเป็นภาวะปกติเป็นภาวะธรรมดาของ ของโลกที่มีการเจริญมีการเสื่อมเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปยับยั้งหรือสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เช่นร่างกายของพวกเรานี้เราก็ไม่สามารถที่จะสั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เมื่อถึงวาละของเขาที่จะต้องแก่ที่จะต้องเจ็บที่จะต้องตาย เขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามวาละของเขาแต่ใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าใจมีปัญญาคอยสอนใจให้ถอนตัวออกจากร่างกายไม่ให้ยึดติดกับร่างกายให้ปล่อยวางร่างกายได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย การที่จะถอนออกจากความยึดติดในร่างกายได้ในเบื้องต้นก็ต้องทำใจให้สงบก่อนพราเวลาใจสงบใจจะปล่อยวางร่างกายชั่วคราวเช่นเวลานั่งสมาธิทำใจให้สงบด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธพอใจรวมเข้าสู่ความสงบใจกับร่างกายก็จะแยกออกจากกันชั่วคราว ตอนนั้นใจจะรู้ว่าใจไม่มีร่างกายแต่ใจก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับการไม่มีร่างกายพ อ, อ, อจากสมาธิมาใจกับร่างกายก็จะกลับมารวมกันตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญาคอยเตือนใจสอนใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปอย่าไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจถ้าทําใจเฉยๆยอมรับกับความจริงของร่างกายเวลาร่างกายแก่ก็จะไม่รู้สึกทุกข์แต่อย่างใดเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่รู้สึกทุกข์แต่อย่างใดเวลาร่างกายตายไปก็จะไม่รู้สึกทุกข์แต่อย่างใดเพราะตอนที่ร่างกายตายไปก็เหมือนกับตอนที่ใจเข้าสู่สมาธินั่นเอง เวลาเข้าสู่สมาธิตอนนั้นใจก็ไม่รับรู้เรื่องของร่างกายแล้วการทำสมาธิจึงเป็นงานที่สำคัญมากในการที่จะช่วยดับความทุกข์ใจถ้าไม่มีสมาธิถึงแม้จะได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเองของเราร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดา แต่เราจะไม่สามารถทําใจได้จะไม่สามารถทําใจให้หยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะว่าใจไม่มีกําลังขาดสมาธิเป็นผู้ที่จะดึงใจให้ออกจากการยึดติดอยู่ในกับร่างกายนี้เองดังนั้นการทําใจให้สงบทําสมาธินี้จึงเป็นความไปงานที่สําคัญอย่างยิ่ง ก่อนที่เราจะก้าวสู่งานขั้นสุดท้ายก็คืองานขั้นปัญญาการวิปัสสนาได้ต้องมีความสงบก่อนและก่อนที่เราจะมีความสงบได้เราก็ต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลาเช่นตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับไม่ว่าเราจะทำอะไรเราไม่ควรปล่อยให้ใจเราไปคิดเรื่องราวต่างๆ ยกเว้นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องคิดเกี่ยวกับการงานที่เรากำลังทำอยู่เท่านั้นถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดแทนที่เราจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, น, องนี้เราก็ใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปแทนเพื่อจะได้ให้ใจมีงานทำพอมีงานทำใจจะได้ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้และพอเวลาเรามีเวลาว่าง่าามานั่ง หลับตาได้เราก็นั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธต่อไปถ้าทำอย่างนี้แล้วไม่ช้าก็เร็วใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้จะมีสมาธิพอมีสมาธิแล้วเราก็จะมีกำลังที่จะสอนใจให้แยกตัวเองออกจากร่างกายได้ให้ปล่อยวางร่างกายได้ให้ยอมรับความจริงว่า ไม่มีวันที่เราจะสามารถห้ามความแก่ห้ามความเจ็บห้ามความตายได้ต่อให้เป็นพระพุทธเจ้าก็ห้ามความแก่ห้ามความเจ็บห้ามความตายไม่ได้เพราะนี่เป็นกฎของธรรมชาติไม่มีใครที่จะมาลื้อกฎอันนี้ได้ยับยั้งห้ามกฎอันนี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่เราสามารถห้ามได้ก็คือความอยากที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าไม่มีความอยากไม่มีความทุกข์ใจแล้วความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายจะไม่เป็นปัญหาใดอย่างใดจะเป็นเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะเป็นเหมือนกับตอนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ใจของเราสงบเย็นสบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายถ้าเราสามารถควบคุมใจของเราให้เป็นอย่างนี้ได้ตลอดเวลา เวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรนี่แหละคือการเข้าหาความสุขที่แท้จริงการดับทุกข์ที่แท้จริงต้องดับด้วยการทำทานดับด้วยการรักษาศีลดับด้วยการภาวนาคือสมถภาวนาทำใจให้สงบและวิปัสนาภาวนาสอนใจให้ฉลาดสอนใจไม่ให้อยาก ได้สิ่ง ต, ต่างๆไม่ให้อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราสามารถปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างได้ครบบริบูรณ์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติเราก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเรา จะได้รับกันในฐานะที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นโอกาสที่ยากมากที่จะเกิดขึ้นพร้อมๆกันทั้งสองส่วนคือได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้เกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาส่วนมากจะได้อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่มีพระพุทธศาสนาหรือมาเกิดเป็นเด ร, รัจฉานแล้วมาพบกับพระพุทธศาสนา เช่นสุนัขที่มาอาศัยอยู่วัดก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่มีพระพุทธศาสนาก็าจะไม่ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันแต่ตอนนี้เราได้รับทั้งสองส่วนเราได้เป็นมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนาจึงเป็นโอกาสอันอันยิ่งใหญ่เป็นโชคอันมหาศาลสําหรับพวกเรา เพราะเป็นโอกาสนี้โอกาสเดียวในนานๆสักครั้งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นที่จะทำให้เราสามารถที่จะบำเพ็ญปฏิบัติให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงและลดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรจึงอยากจะให้ท่านจงใช้เวลาอนันมีค่านี้ต่อการบำเพ็ญตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งที่เราจะได้รับนี้เป็นของแท้ของจริง ของที่จะติดไปกับเราไปต่อไปคือของที่จะติดอยู่ภายในใจของเราดีกว่าการแสวงหาราบยศลาเสริญหาความสุขทางตาหูจํามูกเล่นกายที่จะติดอยู่กับเพียงร่างกายพอร่างกายหมดสภาพไปร่างกายตายไปราบยศราเสริญและความสุขต่างๆทั้งหลายก็จะหมดไปจึงขอฝากให้ท่านทั้งหลายได้ เอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริงและการดับทุกข์ที่ถาวรที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไหวเพียยเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันณะสุขะภาละโดยทั่วหน้าการเทอล้าต่อไปนี้จะอนุโมทนาให้พรนะขอเจนตัง้งจิตตั้งใจอุทิศสนบุญส่สนกุศลยะถาวาลิวาหาปุราปริวเลนติสากลาว เอวเมวะอิโตเทนังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปะจิตังตุมหังคิดเปมีวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยถามณิจติรโสยถาสัพพติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตพาวะตวันตรายุสุขิติขายุโกพาวะอาภีวะตนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนยัตารุธรมมวะฏานติอายุวนสุขังภาลัง เสังขารก็อย่างนี้ไม่เที่ยงเนะานะได้ทีมีอะไรจะถามไหมีมทุกวันารทุกก็ทุกวันแต่ส่วนใหญ่จะคนจะม า, มากวันเสาร์กับวันอาทิตย์เพราะเป็นวันหยุดแต่วันธรรมดาก็มีปลา เป็นประจำอยู่ช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสี่ก็จะมีคนขึ้นมาทำบุญถอยของมาสนทนาธรรมฟังเทศพวกชุดข่าวนี้เขาจะพักอยู่ที่ข้างล่างที่วัดยานที่ข้างล่างจะมีที่พักให้กับพวกชุดขาวอยู่ข้างบนนี้เป็นที่อยู่ของพระที่วัดยานนี้จะมีที่พักให้ ญาติโยมมาจำศีลได้อยู่พักได้ครั้งหนึงไม่เกินเจ็ดวันเพราะว่าต้องต้องแบ่งกันเพราะว่าที่มีไม่มากอยู่ได้ประมาณทั้งยี่สิบสามสิบคนได้สามสี่สิบคนได้เข้าเกี่วกันโทรศัพท์มาจองที่พักกันได้ถ้าให้อยู่ประจำก็คนอื่นก็จะไม่สามารถเข้ามาอยู่กันได้ อันนี้เป็นนโยบายของของสมเด็จพยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชท่านเป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งอนุญาตให้พระขึ้นมาพัฒนาที่บนเขานี้ส่งสนับสนุนงาได้ได้ได้รับการสนับสนุนจากทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จขึ้นมา สนธนาธรรมกับสมเด็จพระสังฆราชมูลศาลาหลังนี้เมื่อปี2526ตอนนั้นยังไม่ได้ทำอะไรมากยังเป็นเป็นเขาแบบยังไม่มีเจ้าหน้าที่เป่าไม้มาดูแลรักษาส่งเสด็จ ม, สมทาทอดประเนี้แล้วก็ทรงทาโครงการพระราชดำริให้มีการทำอ่างอ่างเก็บน้าต่างๆเพื่อไว้ใช้ ใช้สอยทั้งมนุษย์ะสัตว์ที่อยู่บนเขานี้จะได้อาศัยแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้มาดูแลรักษาโครงการพระราชดำนิที่ที่อยู่ในบริเวณทางวัดยา น, นี้มีส่วนที่อยู่บนเขานี้ที่เรียกเขาชิโอนเขานี้มีเนื้อที่ประมาณสองพันก่อไรแล้วก็ส่งให้ซื้อที่เพิ่มครอบบริเวณวัดยานีกรสองพันไร่ โครงการเนื่องอาเนื่องมาจากพระราดําเริของวัดยาเนี้จะมีประมาณเนื้อที่ประมาณสี่ห้าพันไร่ด้วยกันก็ส่งให้ทําให้ปลูกป่าให้ให้มีเกษตรมาศึกษาทําการสาธิตปลูกพืชพันธุ์ต่างๆเพื่อที่จะมาวัดยาไม่ได้ไม่ได้พืชพันธุ์อยู่กับวิหารเซียนไม่วิหารเซียนเป็นผู้มาขอขอใช้ที่ของโครงการพระราดําเริ ได้คือคือเซียนที่สร้างนี้เติมมีเจตนารมณ์ที่อยากจะสร้างวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุสลแด่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระที่ทรงครบอายุหกสิบพรรษามีชาวจีนที่มีฐานะการเงินการทองอยากจะร่วมกันสร้างและถวายเป็นพระราชนกสนก็เลยมากราบทูลสมเด็จพระสังฆราชขอขอที่สร้าง ก็ไม่ได้พิจรารณาแล้วก็ได้กราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปก็สรงอนุ ญ, ญาตให้สร้างตรงที่ที่ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้วิ ห, หารเซียนนี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของของคณะ ก, กรรมการที่โครงการพระราําเริก็ตั้งขึ้นมาคือมันไม่ได้เป็นของของวิหารเซียนเป็นเป็นของโครงการพระราําเริน รู้สึกจะมี อ, อ, งองค์มนตีเป็นประธานกรรมการช่วงที่เริ่มสร้างวันใ ห, หมอๆจนถึงตอนที่พระ อ, องค์ครบหกสิบพรรษานี้พระ อ, องค์จ ะ, สะเสด็จมาเป็นประจำเกือบทุกปีเพราะว่ามีดาววัลวัตถุต่างๆที่ได้สร้างขึ้นมาพระ อ, องค์ก็จะส่งมาเป็นผู้เปิดให้เช่นเปิด JD, เจดีย์เปิดโบสถ์เปิดวิหารอะไรตา่างๆ หลังจากที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วคงก็ไม่ได้แสดงมาอีกอยู่ตันจุาม่ก็อาจะมาบวชเมื่อปี2518บวชที่วัดโบวานิเวศบวชกับสำเร็จพระสังฆราชแล้วก็ขออนุญาตท่านไป ปฏิบัติอยู่ที่วัดป่าบ้านตากกับหลวงตามาอั บ, บัวจนถึงปี2526อยู่ที่นั่นตั้งแต่2518ถึง2526อยู่ถึง2องหกไปพักอยู่ที่ไห น, น, อ น, นอสองหางก็คงจะ เคยอยู่ร่วมกันแต่ไม่ไม่ได้รู้เรื่องกันเพราะปกติหลวงตาท่านก็จะไม่แจ้งให้ใครทราบเวลามีผู้หลักผู้ใหญ่ใครไปอยู่ก็จะไปอยู่กันแบบเงี้ยเงี้ยแล้วปีสองขวัญหลังจากที่อาตมาออกจากวัดป่ามันต่าก็ไปพักอยู่ที่ วัดที่พัทยาอยู่หนึ่งปีเพราะบ้านของอาตมาอยู่ที่พัทยาแล้วก็พอพอพรรษาปี2527ก็มาอยู่ที่วัดหยานนี้ก็อยู่มาจนถึงบัด น, นี้ก็ร่วม30ปีนะอยู่ตั้งแบบปลายปี2527ก็ได้ขึ้นมาอยู่บนเขาแล้วก็เลยได้รับหน้าที่ดูแลสถานที่บนนี้ วนนี้ทางตำนวยไม่ต้องมาดูแลเพราะมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้คอยดูแลให้อยู่้อยู่ทางกินรเจากันบาลมีนเชื่ดแปลน้าสมัยที่พระพุทธองค์ใชยาดยมายม่านมาเชิเชินตามสบาย ผู้ผู้หาความสุขเจอพวกเรายังหากันไม่เจอจจน่ากลับสติทุกครั้งใช่ที่ไม่เจอขาดสติจริงๆะจะถามคำถามต่อก็ได้นะ เดียวนี้มีคําถามผ่านมาทางอินเทอร์เน็ตเยอะเดี๋ยวนี้สามารถเข้าไปใส่คําถามที่ในอินเทอร์เน็ตได้มี facebook เข้าไปใน facebook แล้วก็เขียนคําถามแล้วคนนี้เขาจะเป็นคนเอามาอ่านถามแล้วก็จะเอาเข้าไปตอบใน facebook อัดเสียงแล้วก็ใส่ไปในยูทูบก็ได้ เอาทีละข้อนีเอาทีละข้อต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook นะครับจากคุณโชคชัยนะครับกล่าวมามาสการพระอาจารย์กรบผมอยากจะเรียนกับาถามพระอาจารย์ในการภาวนาซึ่งมีดังนี้เวลากับผมได้นั่งสมาธิภาวนาพอเวลาผ่านไปสักหนึ่งชั่วโมงจะมีเวทนาทางการทางกายเกิดขึ้นมากมายเช่นปวดหลังปวดขา เซึ่งยิ่งทนไม่สนใจมันก็จะรุนแรงขึ้นกับผมจะข้ามอาการเวทนาเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างครับก็คือต้องมีงานอะไรให้ทให้จิตทำอย่าให้ไปสนใจกับความเจ็บตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นถ้าเราใช้คำบริกรรมพุทโธก็ขอให้เราติดเกาะติดอยู่กับาการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงความเจ็บ ถ้าเราเกาะติดอยู่กับการบริกรรมพุทโธได้ความเจ็บก็จะบางทีก็หายไปถ้าไม่หายก็จะไม่รุนแรงและจะไม่ทําให้จิตใจเราทนนั่งอยู่ไม่ได้เพราะเหตุที่ทําให้ใจเราทนนั่งอยู่ไม่ได้นั้นไม่ใช่อยู่ที่ความเจ็บของร่างกายแต่อยู่ที่ความอยากให้ความเจ็บหายไปหรือความอยากจะลุกหนีความเจ็บไป อันนี้ต่างหากที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจวุ่นวายใจกระวนกระวายกระสับกระส่ายจนถึงกับทนนั่งต่อไปไม่ได้ถ้าเรามีงานให้จิตทำเช่นบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปหรือเราจะใช้การสวดมนต์ไปก็ได้สวดมนต์สวดอิติปิโสสวดอะไรไปสวดไปเรื่อยๆถ้าไม่ให้ความสนใจกับความเจ็บปวดของร่างกาย คามเจ็บปวดของร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหาเพราะความเจ็บปวดที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจอยู่ที่ความอยากให้ความเจ็บปวดของร่างกายหายไปพอใจไม่มีโอกาสที่จะไปคิดถึงความเจ็บปวดของร่างกายก็จะไม่ได้มีความอยากที่จะให้ความเจ็บปวดของร่างกายหายไปพอไม่มีความอยากความทุกข์ทรมานใจก็จะหายไป ก็จะนั่งอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้อย่างสบายเหมือนเวลาเรานั่งเล่นไพ่กันนั่งกันทั้งคืนก็นั่งได้ปวดปัสสาวะก็ยังไม่อยากจะลุกไปเข้าห้องน้ำหรือเวลาดูภาพยนตร์ดูละครถ้าใจมีอะไรให้ทำแล้วมันเพลิดเพลินมันก็จะไม่รู้สึกเจ็บปวดมันมีความเจ็บปวดเหมือนกับเวลานั่งสมาธิแต่มันไม่รู้สึกอะไรเพราะว่ามันไม่ไปสนใจ มันไม่ได้ไปอยากให้มันหายไปตอนนั้นมันอยากจะนั่งไปนานๆใช่เวลาดูภาพยนตร์พอถึงเข้าได้เข้าเข็มนี้ปวดปัสสาวะยังไงก็ยังไม่อยากจะลุกทนนั่งดูต่อไปจนจบได้ก็เพราะว่าใจไม่มีความอยากที่จะหนีจากความเจ็บไปไม่มีความอยากที่จะลุกจากจอไปนั่นเองดังนั้นเวลาเกิดความเจ็บถ้าเรายังใช้ปัญญาไม่เป็น ก็ขอให้เราใช้อุบายของสมาธิก็คือให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปแต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วเราอยากจะแยกแยะทุกขเวทนาเพื่อดับความทุกขใจที่เกิดจากการเจ็บของร่างกายเราก็ต้องใช้ปัญญาแยกแยะให้เห็นว่าเวทนานี้ ก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งร่างกายก็เป็นสภาวะธรรมอีกอย่างหนึ่งเป็นคนละส่วนกันร่างกายก็เป็นอาการสาสบสองเช่นกระดูกนี่ก็เป็นเป็นเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนดีๆนี่เองท่อนไม้ท่อนฟืนมันไม่มีความรู้สึกว่ามันเจ็บหรือมันปวดแต่อย่างใดความเจ็บความปวดนี่มันไม่ได้อยู่ในท่อนไม้ท่อนฟืน่ไปความเจ็บนี้มันเป็น ปรากฏการที่ปรากฏขึ้นมาให้จิตรับรู้ถ้าจิตไม่มีอคติคือไม่มีความอยากให้มันหายไปจิตก็จะไม่มีความทุกข์ถ้าจิตไม่มีความทุกข์แล้วจิตก็จะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้อยู่กับทุกขเวทนาได้คือต้องพิจารณาให้ปล่อยวางให้ได้ว่าเวทนานี้เป็นอนัตตาเป็นสภาวะธรรม ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขาหายไปได้หรือให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้สิ่งที่เราควรจะทําก็คือทําใจทําใจให้นิ่งให้เป็นอุเบกขาด้วยการยอมรับความจริงว่าเจ็บก็เจ็บไปและใจเป็นเพียงผู้รับรู้เท่านั้นใจไม่ได้เจ็บไปกับความเจ็บร่างกายก็ไม่เจ็บร่างกายก็ไม่รู้ว่าเขาเจ็บ ทั้งๆที่ร่างกายนี้แหละเป็นที่ตั้งของความเจ็บแต่ตัวร่างกายเองเขากลับไม่เดือดร้อนผู้ที่เดือดร้อนก็คือใจที่เป็นเพียงแต่ผู้นั่งดูความเจ็บนี้เท่านั้นเองแต่ทนดูไม่ได้พอเห็นความเจ็บแล้วก็อยากจะให้ความเจ็บนั้นหายไปต้องฝึกใจให้ให้รู้เฉยๆจะรู้เฉยๆก็ต้องมีสมาธิก่อนเวลาใจสงบนี้ใจจะรู้เฉยๆ จะเป็นอุเบกขาจะไม่มีอคติไม่มีรักไม่มีชังไม่มีความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมีสมาธิแล้วเวลาเกิดความเจ็บทางร่างกายก็ใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางความเจ็บอย่าไปอยากให้ความเจ็บหายไปสอนใจให้ยอมรับความเจ็บว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องเป็นเรื่องปกติ มันไม่เป็นสิ่งที่รุนแรงเกินกว่าที่ใจจะรับรู้ได้ถ้าใจยอมรับรู้เฉยๆแล้วใจก็จะอยู่กับความเจ็บขอ ง, งของร่างกายนะ้แล้วต่อไปความเจ็บของร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหากับใจอีกต่อไปครับคำถามข้อต่อไปจากคุณ อ, อนน์ชัยนะครับจิตมันชอบคิดอคุสลแต่สติมันก็รู้ขออุบายทำมาดักสัดาจิตตัวนี้ด้วยครับ เบื้องต้นก็คือให้ให้หยุดความคิดอกุศลด้วยการใช้ความคิดกุศลขึ้นมาแทนที่เช่นให้บริกรรมพุทธโธไปพอเกิดอกุศลขึ้นมา <c oughs> ก็ให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปถ้าเราสามารถบริกรรมพุทธโธได้อย่างต่อเนื่องความคิดทางอากุศลก็จะหยุดไปแต่จะไม่หยุดไปอย่างถาวรเวลาใดที่เราเผลอไม่ได้บริกรรมพุทธโธก็จะคิดทางอากุศลได้ ถ้าอยากจะดับอกุศลอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอากุศลนี่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเช่นความความโลภความโกรธความหลงนี่ก็เป็นอกุศลทางใจเวลาโลภโกรธหลงแล้วใจก็จะเครียดขึ้นมาใจก็จะวุ่นวายขึ้นมาใจก็จะกังวนกวายกระสับกระสายกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าไม่อยากที่จะกัวนกวายกระสับกระสายก็ต้อง หยุดหยุดความคิดอันนี้ต้นเหตุของความคิดอันนี้ก็คือความหลงที่ไม่รู้ว่าความอยากนี้ทำให้ใจเราทุกทำให้ใจเราไม่สบายทำให้ใจเราคิดไม่ดีคิดอกุศลเวลาเราอยากได้อะไรเราก็จะคิดไปในทางอากุศลทันทีถ้าถ้าได้มาโดยที่วิธีที่ไม่ถูกเราก็จะทำโดยวิธีที่ไม่ชอบ เช่นชอบภรรยาชอบสามีของใครขึ้นมาถ้าไม่สามารถหยุดความชอบความอยากได้เดี๋ยวก็จะต้องไปทำบาปไปยุ่งกับสามีภรรยาของผู้พอไปยุ่งแล้วก็จะเกิดปัญหาเกิดโทษตามมาอาจจะถึงต้องฆ่ากันตายไปก็ได้ถ้าคิดอย่างนี้ก็จะหยุดอกุศลได้ต้องใช้ปัญญาสอนว่า การคิดตามอกุศลนี้เป็นการเดินเข้าหาความทุกข์เข้าหาเรื่องราวต่างๆต้องไม่ต้องไม่กระทําต้องไม่คิดไปในทางอกุศลถ้าอยากจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ค, คำถามข้อต่อไปจากคุณเอ็ดดี้นะครับในกระบวนการของศีลสมาธิปัญญาถ้าเราเริ่มมีศีลเป็นปกติและมีการจเจริญสมาธิบ้าง เพื่อทําให้จิตใจอ่อนโยนพร้อมสําหรับการเรียนรู้แล้วในขั้นตอนการเจริญปัญญาใช้วิธีฟังธรรมะที่พระอาจารย์สอนแทนการพิจารณาธรรมเองอย่างนี้จะได้ไหมครับปัญญานี้ก็มีสามขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังปัญญาขั้นที่สองก็คือปัญญาที่เกิดจากการคิดไข้ควร และปัญญาขั้นที่สามก็คือปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติขั้นแรกเราต้องอาศัยธรรมขั้นแรกปัญญาขั้นแรกก่อนคือเราไม่มีปัญญาในตัวเราเราก็ต้องอาศัยปัญญาของผู้อื่นมาเป็นแนวทางก่อนเช่นฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เท่ากับการฟังแนวความความคิดทางปัญญาของผู้แสดงนั่นเองผู้แสดงจะสอนให้คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดให้ถูก พอเราฟังบ่อยๆเข้าเราก็จะรู้จักวิธีที่คิดให้เป็นปัญญาเพื่อจะคิดหยุดความอยากจะไม่คิดทาตามความอยากคิดเสียสละคิดรักษาสิ่งคิดภาวนาพอเราฟังไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราเอามาคิดเองได้เราก็ไม่ต้องฟังก็ได้แต่เบื้องต้นเราต้องอาศัยความคิดของผู้อื่นสอนเราก่อนสอนให้เราคิดไปในทางที่ถูกที่ควร พอเรารู้แล้วว่าการคิดไปในทางที่ถูกที่ควรนี้นำความสุขมาให้กับเราดับความทุกข์ภายในใจได้เราก็จะคิดไปในทางนี้แล้วต่อไปเราก็จะคิดของเราเองได้และเวลาเราไปอยู่ในเหตุการณ์เวลาเราไปปฏิบัติแล้ว เ, เจอเหตุการณ์ที่จะต้องใช้ปัญญาเราก็ใช้ปัญญาดับความทุกข์ใจได้นี่คือเรื่องของปัญญา ขั้นต้นนี้เราต้องอาศัยการฟังของความคิดของผู้อื่นก่อนฟังปัญญาของผู้อื่นก่อนเช่นเราฟังปัญญาของพระพุทธเจ้าเวลาเราฟังธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราคิดดีพูดดีทดําดีให้เรามองทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าเรามองอย่างนี้เราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้พอเราหยุดความอยากต่างๆได้เราก็จะหยุดความทุกข์ได้หยุดก า, การกระทําบาปได้ ดังนั้นต้องต้องอาศัยการฟังก่อนให้เกิดปัญญาที่เรียกว่าสุตมะยาปัญญาพอเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็เอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาทบทวนอยู่เรื่อยๆมาไขาควรอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่เอามาคิดมาทบทวนมาไขาควรอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังมาก็จะจางหายไปจะลืมไปแล้วเราก็จะกลับ ไปคิดในทางเดิมก็คิดไปในทางของกิเลสปัญหาต่อไปถ้าเราสามารถคิดค่ายกวนอยู่ได้เรื่อยต่อไปเวลาเราเจอเหตุการณ์ที่ช้องใช้ปัญญาเช่นเกิดความทุกข์ใจเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปเราก็จะได้เอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาดับความทุกข์ใจได้คือสอนให้เรายอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญมีเสือ่อมเป็นธรรมดามีมามีไปเป็นธรรมดา เราห้ามเขาไม่ได้หยุดเขาไม่ได้เช่นเราจะสูญเสียสิ่งที่เรารักไปเมื่อสูญเสียไปแล้วเราก็ห้ามไม่ได้ถ้าเรายอมรับความจริงนี้ได้เราก็จะไม่อยากให้สิ่งที่เราสูญเสียไปกลับคืนมาอีกไปแล้วก็ถือว่าไปเลยถ้าจะกลับมาก็เรื่องของเขาไม่กลับมาเราก็อยู่ได้ให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะดับความทุกข์ภายในใจของเราได้อันนี้คือปัญญาขั้นสุดท้าย ปัญญาที่จะเป็นปัญญาที่แท้จริงคือต้องเป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ภายในใจได้ดัแบบความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นภายในใจของเราได้ครับคำถามข้อต่อไปจากคุณธนพล น, นะครับตอนผมบวชเป็นพระที่วัดแห่งหนึ่งเวลานั่งภาวนากับผมจะคลองจีวรภาพสังคติให้เรียบร้อยก่อนเหมือก่อนเหมือนหมู่เพื่อนแล้วจึงภาวนา พอมาอยู่วัดป่าในวงเล็บวัดมาบจันทร์จังหวัดระยองเวลาภาวนาในกุติจะสวบอังสะไม่ห่มจีวรแต่เอาจีวรไว้ห่างช่วง1ึหัดถบานพอสึกเป็นโยมก็จะใส่เสื้อภาวนาอยู่มาวันหนึ่งขณะฟังคลิปเทศท่านพระอาจารย์ทางเฟซบุ๊กแต่ขอเสื้ออยู่กับบ้านเพราะอากาศร้อนฟังไปเกิดปิติผู้ฝ้าแล้วเหมือนจิตสงบกาลังจะรวม ก็กังวลว่าเรายังไม่สวมเสื้อให้เรียบร้อยเลยจิตก็กังวลเรื่องยังไม่ได้สวมเสื้อทำให้ถอนจิตออกมาอย่างนี้จะเรียกว่ามีสีลัพะตาพามาตคือยึดติดในรูปแบบเกินไปใช่ไหมครับเป็นพระไม่ต้องคองจีวรหรือเป็นโยมถอดเสื้ออยู่ก็ภาวนาได้ใช่ไหมครับหรือนั่งทาสรีระกิจในห้องน้าไม่สวมเสื้อผ้า ก็ภาวนากาหนดได้ทุกอริยาบทถูกหมาครับการภาวนานไม่จำเป็นจะต้อง อ, อยู่ในรูปแบบอันใดภาวนาได้ทุกรูปแบบถ้าอยู่ตามลาพังแต่ถ้าเราอยู่กับบุคคลอื่นเราก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมคือกาลเทศะแต่เวลาที่เราอยู่คนเดียวอยู่ในห้องหรือว่าอยู่ในปา่า เราจะแต่งกายอย่างไรนี้ก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเพราะเรื่องของการภาวานานี้ไม่ใช่เรื่องของร่างกายเรื่องของการภาวานานี้คือเรื่องของใจสำคัญที่ว่าต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านเท่านั้นเองหรือถ้ามีปัญญาก็ต้องควบคุมจิตไม่ให้เกิดความอยากถ้าเกิดความอยากก็ต้องหยุดความอยากให้ได้ อันนี้เป็นประเด็นสำคัญในการภาวนาไม่ได้อยู่ที่การแต่งเนื้อแต่งตัวว่าจะแต่งกายอย่างไรหรือไม่แต่งกายอย่างไรโดยจะอยู่ที่ใดก็ตามจะอยู่ในห้องน้ำจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเจริญวิปัสสนาได้เวลาขับถ่ายนี่ก็สามารถเจริญวิปัสสนาได้เห็นความเป็นสิ่งเป็นปฏิกูลของร่างกายนี่ก็สามารถเอามาสอนใจทาให้ดับการมาราคะได้ ดงนั้นการภาวนานี้เป็นเรื่องของจิตใจมันไม่ใช่เรื่องของร่างกายแต่เรื่องของการละเทศะความเหมาะสมนี้ก็เป็นเรื่องของร่างกายถ้าเราอยู่ในสถานที่ใดที่ควรจะต้องแต่งกายแบบใดต้องทาต้องนั่งอยู่ในอร r ยาบทใ ด, ดเราก็ต้องทำตามในตามการลกเทศะไปแต่เรื่องของการภาว น, นานี้ไม่เกี่ยวกันเรื่องของการภาวนานี้จะ ได้ผลไม่ได้ผลอยู่ที่การมีสติหรือไม่มีสติมีปัญญาหรือไม่มีปัญญามีสมาธิหรือไม่มีสมาธิท่านั้นข้อที่สองของท่านเดียวกันนะครับที่ท่านอาจารย์สอนว่าเมื่อจิตสงบแล้วอย่าเพิ่งออกทางปัญญาควรรอให้ออกจากสมาธิก่อนค่อยใช้ปัญญาพิจารณาครับผมสงสัยว่าคำว่าออกจากสมาธิหมายถึง ยังหลับตาอยู่แล้วพิจารณาทางปัญญาไปหรือออกจากสมาธิโดยลืมตาปกติแล้วจึงพิจารณาทางปัญญาเมื่อลืมตาแล้วครับการออกจากสมาธิก็คือการออกจากความสงบลั ง, งับจากความคิดปรุงแต่งเวลาอยู่ในสมาธินี้จิตจะไม่คิดปรุงแต่งพอจิตออกจากสมาธิก็จะเกิดความคิดปรุงแต่ง ไม่ว่าร่างกายจะลืมตาหรือไม่ลืมตาก็ไม่สำคัญถือว่าพอจิตเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วก็ถือว่าออกจากสมาธิแล้วออกจากควาสมสงบแล้วตอนนั้นก็เป็นเวลาที่จะควรพิจารณาทางปัญญาได้เลยไม่ว่าจะนั่งต่อไปก็ได้ดับตาก็ได้ลืมตาก็ได้หรือจะลุกขึ้นมาทำกิจต่างๆก็จเจริญปัญญาได้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ใจ สมาธิก็คือเวลาที่ไม่มีความคิดปรุงแต่งจิตพักผ่อนเหมือนเวลาที่คนหลับนอนร่างกายหลับนอนนี้ร่างกายก็จะไม่ทำงานทำการแต่พอร่างกายตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาทานั่นทานี่ก็แสดงว่าร่างกายเริ่มทำงานแล้วก็ต้องเอาร่างกายมาทำงานในในงานที่เป็นคุณเป็นประโยชน์อย่าไปให้ร่างกายไปทำงานที่เป็นโทษเช่นไปลักขโมยไปฆ่าสั์ตัดชีวิต ไปดื่มสุรายาเมาให้ดึง ม, มาเดินจงกรมนั่งสมาธิไหว้พระสวนมนต์อย่างนี้จิตก็เช่นเดียวกันเวลาจิตสงบนี้เป็นเวลาที่จิตพักผ่อนตอนนั้นอย่าไปบรบกวนเพราะว่าต้องการให้จิตได้พักอย่างเต็มที่ยิ่งสงบได้นานเท่าไหร่กาลังของจิตจะมีมากกำลังที่จะต่อต้านกิเลนี้เองก็คืออุบเบกขาจะมีมาก ถ้าอยู่ได้นานท่าหลากำลังของอุเบกขาก็จะมีมากเพราะจากสมาธิมาเริ่มคิดปรุงแต่งเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ยินเสียงนั้นเสียงนี้ก็เริ่มคิดปรุงแต่งถ้าคิดไปในทางความอยากก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาลัดให้ได้ต้องสอนใจว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์แนละสิ่งที่อยากได้ก็จะไม่ได้ให้ความสุขเหมือนกับความสงบที่ได้จากสมาธิถ้าหยุดความอยากได้ใจก็จะกลับ เข้าสู่ความสงบของสมาธิโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิคือรักษาความสงบที่ได้จากสมาธิแล้วนี้ให้คงอยู่ต่อไปอันนี้คือหน้าที่ของปัญญาถ้าเกิดเหตุการณ์คือเกิดความอยากเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาดับความอยากดับความทุกข์ให้ได้ถ้ายังไม่มีเหตุการณ์คือยังไม่มีความอยากไม่มีความทุกข์ ก็ให้พิจารณาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะทําให้เกิดความอยากเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นให้พิจารณาตอนที่ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งเหลือเวลาอยู่อีกสามเดือนอย่างนี้ดูซิว่าจะรักษาใจให้เป็นปกติไม่วุ่นวายใจได้หรือเปล่าไม่ให้เครียดไม่ให้ทุกข์ได้หรือเปล่าถ้าไม่ถ้าไม่มีความอยากก็จะไม่เครียด ถ้ายอมรับว่าสามเดือนก็สามเดือนตายก็ตา ย, ตา ย, ก, ตายก็จะไม่เครียดแต่ถ้าใจยังไม่ยอมรับว่าจะต้องตายก็จะเกิดความเครียดเกิดความทุกข์เกิดความอยากขึ้นมาอยากไม่ตายนั่นเองถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้หยุดความอยากดับความทุกข์ดับความเครียดให้ได้ถ้าปัญญาทันปัญญาเหลมคมสมาธิมีกาลังพอก็จะหยุดความอยากได้ดับความทุกข์ได้ ไม่กลัวความตายที่จะเกิดขึ้นไปในระยะเวลาสามเดือนที่จะที่จะตามมาต่อไปนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องคิดเตรียมตัวไว้ก่อนทําการบ้านกันไว้ก่อนถ้าเป็นนักมวยก็ซ้อมชกประสอบสายซ้อมชกกับคู่ซ้อมไปเรื่อยๆก่อนพอถึงเวลาขึ้นเวทีจะได้ชกชนะได้ถ้าเป็นนักลบเช่นดาหานก็ต้องฝึกรบอยู่เรื่อยๆพอเกิดสงครามก็จะได้ออกรบน่าจะ ชนะฆ่าศึกศัตรูได้ถ้าไม่ซ้อมลบไว้ก่อนไม่เตรียมตัวไว้ก่อนพอเข้าสนามสอบเข้าสนามลบก็จะแพ้ทันทีเพราะไม่รู้จะทําอย่างไรถ้าไม่คิดเตรียมตัวไว้ก่อนว่าเราจะต้องตายในวันใด ว, วันหนึ่งอย่างแน่นอนไม่มีวันที่จะเด็กเลี่ยงได้ไม่มีวันที่จะดับดับความตายหยุดความตายได้แล้วเราพิจารณาจนกระทั่งใจยอมรับความจริงอันนี้ ใจก็จะสงบเย็นสบายพอถึงในเหตุการณ์จริงไปหาหมอหมอบอกคุณเป็นมะเร็งเหลืออีกสามเดือนใจก็จะไม่สะทกสะทานหวั่นไหวแต่อย่างใดถ้ายัางสะทกสะทานหวั่นไหวอยู่ก็แสดงว่ายังสอบไม่ผ่านยังหยุดความอยากไม่ได้ยังอยากไม่ตายอยู่ก็ต้องพิจารณาต่อไปให้เห็นว่ามันต้องตายต้องตายไม่มีไม่มีวันที่จะไม่ตายไม่ว่าใครทั้งนั้นคิดไปเรื่อยๆตัวในที่สุดมันต้องยอมรับ หรือมันจะต้องเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่ตายว่ามันมันทุกข์ทรมานใจถ้าไม่อยากจะทุกข์ทรมานใจก็ต้องอยาไปอยากไม่ตายเท่านั้นเองพอเราหยุดความอยากไม่ตายได้ปั๊บความทุกข์ทรมานใจก็จะหายไปครับคาถามข้อต่อไปนะครับจากคุณพิพทานานะครับคาถามค่อนข้า ง, างยาวแต่ผมจะย่อเอาเฉพาะใจความนะครับคือว่า โยมคนนี้เข า, อ, าอยากจะไปช่วยรุ่นพี่คนหนึ่งเนี่ยเพื่อช่วยพิมพ์หนังสือสวดมนต์เนี่ยแต่รุ่นพี่เขาเหมือนายเบียงไม่อยากให้ช่วยประมาณว่างบุญนะครับนะบแล้วก็ประมาณว่าบางงานเนี่ยเขาทําเนี่ยเขาก็จะบอกพี่เขาให้ช่วยกันโดยที่เาเข้าใจว่าการร่วมกันทําบุญเนี่ยมีอ น, นิสงส์งมากกว่าการทํำคนเดียวนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยจะไปไหนก็ตามแต่เนี่ยเราบอกว่า อาจจะไม่ไปแต่เขาก็ไปบอกคนอื่นว่าเราไม่ไปแล้วอะไรเงี้ยครับก็จะทําให้รู้สึกเสียใจมากเลยขอคําแนะนําเรื่องการวางใจเพื่อไม่ให้ผลกระทบต่อใจมากไปครับคือเราต้องอย่าไปอยากให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ถ้าเราอยากให้เขาทาอย่างนั้นทําอย่างนี้พอเขาไม่ได้ทําตามที่เราอยากเราก็จะไม่สบายใจเราต้องปล่อยวางเขาเขาจะพูดอย่างไรเขาจะทําอย่างไร เขาจะให้เราร่วมบุญหรือไม่ให้เราร่วมบุญก็เป็นเรื่องของเขาเราไปบังคับใจเขาไม่ได้สิ่งที่เราห้ามได้บังคับได้ก็คือใจของเราใจของเราอย่าไปมีความอยากกับเขาก็แล้วกันทําใจให้เป็นอุเบกขานี่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกทําใจให้มีอุเบกขากันพอเราเห็นอะไรเราก็จะเกิดความอยากขึ้นมาเห็นเขาทำบุญก็อยากจะร่วมทาบุญพอเขาไม่ให้ร่วมด้วยก็เกิดความเสียใจ นี่เป็นปัญหาของเราเราอย่าไปโทษเขาปัญหาอยู่ที่ตัวเราที่เราไม่รู้จักทําใจให้เป็นอุเบกขาทําใจให้ไม่ให้มีความอยากให้ทําตามเหตุตามผลจะดีกว่าถ้าก็ทําบุญถ้าเราร่วมได้เราก็ทําถ้าเราร่วมไม่ได้มีที่อื่นที่ทําต้องเยอะแยะไปไม่ได้ทํากับเขาเราทําของเราเองคนเดียวก็ได้มันไม่สําคัญหรอกว่าจะได้มากได้น้อย สำคัญที่ว่าทําแล้วใจเรามีความสุขถ้าทําแล้วใจไม่มีความสุขทําด้วยความโลภมันก็ไม่เป็นบุญก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นเขาว่าทําบุญอย่างนี้ได้บุญมากก็อยากจะทํากับเขาพอไม่ได้ทําก็เกิดความทุกข์ใจอันนี้ก็เป็นบาปแล้วแทนที่จะเป็นบุญก็กลายเป็นบาปแล้วบาปที่เกิดจากความไม่ได้ความอยากที่ไม่ได้ทําตามที่เขาว่ากันว่าเป็นบุญมากนี่เอง <hi> <ese> ดังนั้นเราอย่าไปทำอะไรด้วยความอยากถ้าทำด้วยความอยากแล้วนี่ถือว่าเป็นอกุศลเป็นบาปทำให้จิตใจทุกข์ถ้าเราอยากจะทำนะทำให้จิตใจเราในความสุขเราต้องทำตามเหตุตามผล ต, ตามตามโอกาสถ้ามีโอกาสได้ทำก็ทำถ้าไม่มีโอกาสก็รอไปก่อนไม่ได้เป็นเรื่องคอขาดบาทตายเพราะมีบุญอย่างอื่น <ๆ S 2> ที่ดีกว่าเหนือกว่าการทาทานเยอะแยะไป เช่นการรักษาสิ่งเช่นการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมอันนี้ก็เป็นบุญที่เยอะกว่ามากกว่าบุญที่ได้จากการทำทานหลายร้อยเท่าด้วยกันบุญที่เราได้จากํารททานนี้ถ้าเปรียบเป็นเงินก็เหมือนเงินยี่สิบเงินห้าสิบบาทแต่บุญที่เราจะได้จากการรักษาสิ่งก็เป็นเหมือนแปลง้อย ส่วนบุญที่เราได้จากนั่งสมาธิก็จะเป็นแบงค์ห้าร้อยส่วนบุญที่เราได้จากปาัญญานี้ก็จะเป็นแบงค์ผันดังนั้นเราอย่าไปยึดติดอยู่ก่าการทำทานเพียงอย่างเดียวแล้วเฉพาะทานอย่างนั้นอย่างนี้เช่นเขาจะเห่อกันว่าทำทานได้บุญมากก็ทาบุญได้บุญมากก็ต้องทอดกรถินอย่างนี้ก็แย่งกันทอดแย่งกันเป็นเจ้าภาพทาด้วยความทุกข์ใจ พราเวลาอยากได้เป็นเจ้าภาพแล้วไม่ได้เป็นเจ้าภาพก็เสียใจไมยพ่านไม่ยอมทําบุญอีกเลยอันนี้มันไม่ใช่เป็นการทําบุญการทําบุญนี้ต้องการเสียสละต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขได้รับประโยชน์จากการกระทําของเราและเราต้องการให้ใจเราสุขสบายใจถ้าเราทําด้วยความอยากใจของเราจะไม่สุขสบายใจจะมีความเครียดมีความทุกข์ อันนี้แทนที่จะสร้างบุญก็กลับมาสร้างบาปให้กับใจคือสร้างความทุกข์ให้กับใจนั่นเองดังนั้นเราต้องใช้ปัญญาใช้เหตุใช้ผลดูกาละเทสะให้ทําบุญแบบปิดทองหลังพระจะดีกว่าจะได้บุญมากกว่าบุญไหนที่เขาแย่งกันเราไม่ต้องไปแย่งเขาแย่งกันปิดทองอยู่หน้าพระเต็มไปหมดเราไปอยู่หลังพระดีกว่าคนเดียวไม่มีใครมาแย่งเราปิดของเราไปการทาบุญนี้เราต้องการให้เกิด ละความโลภละความตนีนะครับคือเราไม่ต้องการที่จะให้เราหวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องการให้เราโลภอยากได้เงินทองเพิ่มมากขึ้นเราต้องดูว่า้ตอนนี้มีเงินมากเกินไปแล้วเอาไปทําบุญหีือเปล่าต้องคิดอย่างนี้แนละ้วมาต่อไปมันจะไม่โลภพวามมันมีมากเท่าไหร่มีมากเกินความจนมันก็เอาไปทําบุญเอาไปทําบุญเรื่อยเมันก็จะตัดความโลภได้และตัดความหวงได้ถ้าไม่ทําบุญนี่มันจะโลภได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ แล้วก็ห่วงไม่อยากจะให้ใครตายไปก็อยู่ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็ไม่ไดเอาไปกล า, ายปลาเป็นของคนอื่นไปเอามาถ้าเป็นท่าตายไม่ได้รับประโยชน์จากเงินทองที่หามาได้เลยแต่ถ้าทำบุญด้วยใจยที่เสียสละด้วยใจยที่เมตตาจะมีความสุขมากเห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนเราก็ไปช่วยเหลือเขาถ้าตรง น, นี้มีคนย่กันทาเยอะนะแล้วเราก็ไปทาที่อื่นก็ได้เช่นเดี๋ยวนี้คนมาทาบุญที่วัดกันมาก เราก็ไปทําบุญที่โรงพยาบาลแทนกน็ได้ไม่มีใครไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ต้องการคนมาทําบุญเหมือนกันเพราะคนไข้ก็มีมากขึ้นมากก็้นอยู่เรื่อยๆค่าใช้จ่ายก็มากมก็ไปทําบุญที่โรงพยาบาลก็ได้บุญเหมือนกันได้ละความตันีได้ละความโลภเหมือนกันการที่เราไปเลือกที่ทําทําที่ว่าเพราะว่าเราอยากจะได้ของแถมเข้าใจไหมคำว่าของแถมก็เหมือนเวลาเราไปเติมน้มาํามันรถตามปั๊มต่างๆบางปั๊มก็จะ แจกผ้าแจกของถ้าเราอยากได้ผ้าได้ของเราก็ต้องไปเลือกตามที่เขาแจกการที่เรามาทําที่วัดเพราะเราอยากจะได้ธรรมะได้ฟังเทศฟังธรรมถ้าเราไปทําบุญที่โรงพยาบาลเราจะไม่ได้เราได้เราต้องการของแถมเราจึงมาที่วัดกันแล้วเราก็ต้องเลือกผ้าที่มีธรรมะใช่ไหมก็ถึงสอยว่าถ้าอยากจะได้ธรรมะมากๆก็ทําบุญกับพระพุทธเจ้าองค์ที่มีธรรมะมากที่สุดก็คือพระพุทธเจ้า ลองลงมาก็คือพระ อ, อรหันต์ลงลงมาก็คือพระ อ, อนาคามีพระสกิดาคามีพระโสดาบันนี่คือพระที่มีธรรมะต่างลําดับกันถ้าอยากได้บุญสูงสุดธรรมะที่สูงสุดก็ต้องไปบุญต้องทํากับพระพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ต้องทํากับพระอรหันต์ถ้าไม่มีก็ต้องทํากับพระ อ, อนาคามีไปเลื่อนลงมาเรื่อยๆก็เท่านั้นเองคือเราต้องการธรรมะเราถึงมาทําบุญที่วัดกัน แต่บุญนี่ทำทำที่ไหนก็ได้บุญเหมือนกันคือความสุขใจถ้าเราทําโดยไม่มีความโลภอยากได้สิ่งตอบแทนจากผู้รับทําด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์ทำเพื่อละความต่ำเองทำเพื่อละความโลภทําเพื่อสงเคราะห์ให้ผู้อื่นก็ได้มีความสุขเราก็จะได้ความสุขใจกลับมาความสุขใจนี่แหละเรียกว่าบุญทํากับมนุษย์ก็ได้บุญทํากับเดรัจฉานก็ได้บุญ แค่เห็นสุนัขโซเซมาไม่มีอาหารกินเอาอาหารให้มันกินมันได้อาหารมันมีความอิ่มมันมีความสุขแล้วก็มีความสุขไปกับเขาด้วยเหมือนกันทำกับคนขอทานมันก็ได้ความสุขแบบเดียวกันทํากับพระที่มาบิณฑบาตมันก็ได้ความสุขแบบเดียวกันมันอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่การสละอยู่ที่การตัดความตนันเองตัดความโลภต่างๆนั่นอย่าไปหลงยึดติด ก, กับรูปแบบจนมากเินเกินไป ถ้ามีที่ไหนเขาทาแย่งกันทําเข้าไปแล้วไปตีกันตายผู้ที่จะไปทําบุญก็อย่าไปไปที่เขาไม่มีไปไม่ต้องไปแย่งกันมีอย่างนลวงตาท่านก็ไม่ทําบุญกับวัดส่วนใหญ่หลวงตาได้เงินมาท่านก็สง่งค่าโลกทากับโรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ไปช่วยลงโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สายต่างๆสร้างตึกให้กับโรงพยาบาลซื้อรถพยาบาลต่างๆ เพราะท่านเห็นว่าไม่มีไข่ไปช่วยทางโรงพยาบาลมาช่วยมาทําบุญกับท่านคนเดียวงั้นท่านยาเเงินนี้ไปทําอะไรวัดของท่านก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินใช้ทองเอามาสร้างเจดีย์สร้างโบสถ์ให้มันวิจิตพิสดารเป็นราคาหมื่นล้านแสนล้ามันเกิดประโยชน์อะไรมันก็เป็นเพียงที่อยู่ของสุนัข ก, กับนกพิราบเท่านั้นะสังเกตมันไปดูโบสถ์ดูเจดีย์มันเป็นที่อยู่ของไข่มันก็มีแต่นกพิราบมีแต่สุนัขที่มัน อยู่แถวนั้นเน่ะสร้างไปแล้วได้อะไรขึ้นมาใช่ไหมั้นเราเวลาทาบุญขอให้ใช้ปัญญาคิดถึงความเดือดร้อนเป็ น, เ ป, นเป็นเป้าแล้วก็คิดถึงความตนิความโลภในใจของเราเป็นเป้าเราทำเพื่อแค่นี้เองทำเพื่อสงเคราะห์ผู้ที่เดือดร้อนและกำจัดความโลภความตนิของเราเท่า น, นั้นเองนะกระจายเนี่ยเอาเลยในขณะที่ เคมาหาอาจารย์ครั้งนแล้วก็อาจารย์ได้สอนพิธีการเดินจงกรมไปผมก็ลองไปปุดดูพรากว่าสิ่งหนึ่งที่พอาจะถามเรียนถามอาจารย์คือเราจะรับอาการของเก็บกรงแต่งด้วยการกำหนดรู้สั้นพออาการไหนรู้ก่อนก็ดับก่อนแล้วก็รู้ใหม่เป็นอย่างนี้เลยไป ก็ทำให้ใจเราสมบูรได้ด้วยการผมมาถูกทางถ้ามันสมบูรณ์ก็ถูกทางนะเนี่ยวิธีการมันมีหลากหลายด้วยกันอุบายการปฏิบัติของแต่ละคนนี้มันไม่เหมือนกันเราใช้วิธีไหนที่ทําให้ใจเราไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ให้สักแต่ว่ารู้ให้อยู่กับปัจจุบันให้ใจว่าอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้รู้แล้ ว, ล ว, อลวพอรู้ป้ามันก็หยุดปรุงแต่งทันทีอพอเผลอมันก็ปรุงแต่งใหม่ ียถ้าเราไปรู้อะไรนานๆนา ม, มันจะเกิดการปรุงแต่งก็ไปได้ปรุงแต่งเราก็ต้องหยุดมันให้ได้ขอให้มีสตดดิดูความคิดปรุงแต่งว่ามันคิดปรุงแต่งหรือเปล่าถ้าคิดปรุงแต่งเมื่อไหร่ก็หยุดมันถ้าหยุดมันได้ก็ถือว่าใช้ได้ถ้าหยุดมัไม่ได้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้แรกๆแน่อาจจะสมมติมากเกินไปก็เลยรู้สึกว่ แรงแล้วตึงเกินไปใช่เรายังไม่รู้วิธีการที่นี่ต้องล้างมานี่รู้สึกว่าอะไรก็ตามที่มากระทบเนี่ยก็สลายมันต้องมัชฉิมาต้องทําด้วยไม่ต้องทําด้วยความอยากเพราะทํามันอยากให้มันว่างอยากให้มันสงบมันจะเครียดขึ้นมามันอยากจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะมันจะไม่ได้เป็นตามความอยากทันทีต้องคอยดูดูเท่านั้นเองดูความคิดและหาอุบายหยุดความคิดให้ได้อย่าหลงไปคิดตามมันเท่านั้นแต่มันชอบมานชวนเราคุยเลย พอมันคุยชวนเราคุยแล้วก็คุยกับมันต่อไปอยู่พอมันชวนเราให้ทํานู่นทํานี้ออกไปอชวนให้เราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คิดตามมันไปก็เลยนั้นมามองสภาวะเราเป็นจริงที่มันเกิดต้องดูมันว่าเราเป็นผู้ดูเราเป็นผู้ดูเราอย่าไปเราอย่าเราอย่าไปตอบโต้มันมันจะชวนเราคิดคิดกับเราไม่เอาละดูเฉยเฉมึงคิดไปคนเดียวก็แล้วกัน ที่ถามนั่นก็คือผูดที่ใกล้เชิดเราเนี่ยเขาประสบปัญหาคืออในสถานที่ทํางานเขาก็ดีแต่ว่าเพื่อนบ้านตัเองต่างนี่มักจะไม่ค่อยที่จะยินดีในตัวเขาเท่าไหร่นะทังที่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรให้มผมยึใช้ปัญญานสอนไป่ญญเองครับปัญหาก็อยู่ที่ตัวเขาแหละทําไมคนอนื่นก็ไม่เป็นถ้าตัวเองรู้จักทําตัวให้เป็นที่รักก็มีแต่คนรักนี่ตัวเองทําตัวให้เป็นให้คนอนื่นก็รักไม่เป็นเท่านั้นมันก็เลยมีปัญหา ถ้าเป็นคนเสียสละเป็นคนมีความเมตตาเฟื่อเฟือเผื่อแผ่อบอ้อมมารียินแย้มแจ่มใสไม่ถือโทษกดขูงไม่โลบโมโถสันไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนละแต่ถ้าเราเอาแต่ใจตัวของเราเองจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนก้าเกลื่อนนั้นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คนเืยนะปัญหาอยู่ที่ตัวเราเคยสอบถามท่านว่าเป็นเพราะอะไรท่าน อ, อาจจะบอวา่า เขาไม่ถูกใครคนนึงในคนนั้ น, นก็เพื่อนเยอะผู้เยอะเขาก็บากันรวมตัวเขนไม่ชอบเราอเงีไม่หรอกคนเรามันไม่ยอมมองความผิดของตัวเอง<ม>ชอบมองโทษของคนอื่นโทษของตนแม้จะกองเท่าภูเขาก็เหมือนผงทุลีโทษของคนอื่นแม้จะเป็นผงทุลีก็เหป็นเหมือนภูเขาความดีของตนแม้จะเป็นผงทุลีก็เป็นเหมือนภูเขาแต่ความดีของคนอื่นแม้จะเป็นขนาดภูเขาก็เป็นเหมือนผงธุลี อั น, นปัญหาคือเรามันมัจกจะเข้าข้างตัวเราเองยั้น <fe at> ถ้าเราไม่ไม่หยุดเข้าข้างตัวเราเองเราจะไม่มีวันที่จะแก้ปัญหาของเราได้เราต้องมองตัวเราเองแล้วโทษตัวเราเองอย่าไปมองคนอื่นอย่าไปโทษคนอื่นเพราะโทษของคนอื่นเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้แก้เขาไม่ได้แต่เราเปลี่ยนโทษของเราได้แก้ตัวเราได้เราดูตัวเราว่าเราไม่ดีตรงไหนแล้วนะเราแก้ให้มันดีเสียมันก็เหมือนเริ พยายามจะบอกเขาอย่างนั้นๆแต่ว่ากลายเป็นจิดตกกันซะนั่นก็ยังเขาคิดว่าตัวเขาไม่ดีเขาทาความดีคนไม่เพินมเขาคิดอะไรอย่างนั้นเองใช่ก็คิดผิดเองเอเขาปัญหาของเขาคือหนึ่งเขาทําตัวไม่ดีสองเขามีความอยากให้คนอื่นเขาดีกับตนมันก็เลยทําให้เกิดความทุกข์เกิดความเครียดขึ้นมาเพราะมันเป็นไปไม่ได้เพราะเขาไม่องไม่เห็นความไม่ดีของเขา เขาจะเห็นแต่ส่วนที่ดีของเขาส่วนที่ไม่ดีนี้เข า, ขามองไม่เห็นเนี่แม้แต่พระนี่พระพุทธเจ้ายังยังต้องมีการประวารานาตัวกันเช่นวันสุดท้ายก่อนออกพรรษานี่วันสุดท้ายเขาเรียกว่าวันปาวาราณาคือพระพุทธเจ้าบอกให้พระนี่ประกาศตนท่าการสงเลยว่าขอให้สงตักเตือนข้าพเจ้าได้ถ้าเห็นก็ดีได้ยินก็ดีสงสัยอะไรก็ดีขอให้ว่ากล่าวตักเตือนได้เลย เพราะว่าเราจะไม่กล้าว่าเก่ากตัดเปืีนตัวเราเราจะไม่เห็นว่าเราไม่ดีต้องให้คนอื่นเขาเห็นใช่ใชเราจึงอย่าไปโกรธเคืองผู้อื่นถ้าคนอื่นเขาตำหนิว่าเก่าตีเตียนเราเวลาเราได้ยินได้ฟังอะไรขอให้เราฟังด้วยเหตุด้วยผลคือฟังความจริงว่าสิ่งที่เขาพูดนี่จริงหรือเปล่าเช่นเวลาก็ว่าเราเป็นควายอย่างนี้เราดูที่เรามีเขาหรือเปล่าเรามีสี่เท้าหรือเปล่า ถ้าเราไม่มีเขาไม่มีสีเท้าก็เป็นความความมืดบอดของเขาเองคนตาบอดพูดเราจะไปเดือดร้อนทําไมแต่ถ้าเขาว่าเรานิสัยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราลองดูเออมันจริงอย่างที่เขาพูดเราก็ควรจะยกมือกราบไหว้เขาที่เขาชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราเพราะว่าถ้าเรามองเรามองไม่เห็นเราก็ต้องอาศัยกระจกอย่างที่คุณพูดใช่ไหมก่อนคุณ อ, ออกจากบ้านคุณก็ต้องดูกระจกก่อนใช่ไหมว่าผมเรียบร้อยหรือเปาลาร่างหน้าล้างตาเรียบร้อยหรือเปล่า ไม่ใช่ตื่นขึ้นมาก็พูดผลาดออกมานอกบ้านเลยทันใดการตำหนิติเตียนของผู้อื่นก็เป็นสองกรณีติดติติเตียนด้วยความจริงติเตียนด้วยความอคติถ้าเขาอคติเขาด่าเพราะว่าเราเพราะเขาเกลียดเราแล้วก็อย่าไปถือสาเขาถ้าสิ่งที่เขาพูดมันไม่เป็นความจริงก็เข้าหูซ้ายก็ออกหูขวาไปแต่สิ่งถ้าเขาติเตียนด้วยความรักด้วยความเมตตาพูดด้วยความจริงเช่นครูบาจางบิดามารดา ว่ากล่าวตรเตือนเหล่านี้ท่านพูดด้วยความเมตตาท่านพูดด้วยความจริงแล้วก็ควรจะพิจารณาดูถ้าจริงเราก็ควรจะกราบท่านเพื่อเราจะได้แก้ไขสิ่งที่เป็น ท, ที่ที่บกคล้องในตัวเราได้เ<ม> ก, การฟังท่านสอนให้ฟังอย่างนี้อย่าฟังด้วยอารมณ์ให้ฟังด้วยเหตุด้วยผลฟังด้วยสติด้วยปัญญาแล้ตัวนี้ที่เขาอภิใจลงด้วยให้ใช้ขอมาเป็นเราก็ถือว่าโปงไปว่าเป็นกรรมของเราแล้วเราก็ห้ามเขาไม่ได้ เขาเป็นอนัตตาตาของเขาเเออแล้วก็เป็นกรรมของเราที่มาเจอเขาเมือเจอเขามาเจอคนที่เขาไม่ชอบเราก็ให้คิดอย่างนี้ก็ได้ไม่ให้คิดว่าเขาไม่ชอบเราก็ดีแล้วเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็ดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็ดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าฆ่าเราก็คิดว่าดีแล้วเกิดมาก็ต้องตายบางคนอยากจะตายต้องเสียเงินไปซื้อยาพิษมากิน่ะ นี่เราตายยังไม่ต้องเสียเงินคิดอย่างนี้เราก็จะไม่มีปัญหากับใครนะเจะมีกําลังใจทําความดีต่อไปแล้วความดีนี้ก็ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนจากใครสิ่งที่ตอบแทนเราได้นับจากความดีนี้มันอยู่ในใจของเรามีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองที่เป็นรางวัลรางวีรางวัลเพราะเป็นความสุขใจอิ่มใจภูมิใจที่ไม่มีใครสามารถมอบให้กับเราได้ดเราต้องการอันนี้ต่างหาก ถ้าเราทำบุญเพื่อทำความดีเพื่อรับการชื่นชมยินดีรับรางวัล น, นี้แสดงว่าเราทำเเราไม่ได้ทำความดีแล้วเราทำบาปแล้วทำด้วยความโลภทำด้วยความอยากเราต้องทำโดยไม่ต้องการรับสิ่งตอบแทนจากใครทั้งนั้นแม้แต่คำว่าขอบคุณก็ไม่ต้องการทำเพื่อให้เรามีความอิ่มใจสุขใจภูมิใจ วันนี้เมื่อปลายปีที่แล้วไปบวชมาสามเดือนไรมีโอกาสได้ไปปฏิบัติภาวนาแล้วแต่ว่าตอนช่วงที่บวชอยู่ผมทำกรมฐานอยู่ไปเลย่ยมมาของเดือนกว่าจิตมันรวมงไปเองเหมือนเราโจ๊ทางโลมอนหายไปยดังรวงในในมลงไปมแบบืดมึครัแล้วมันมีสระวัดองค์ในๆุดขึ้นมาแล้วก็ดับเปแล้ว พอเสร็จแล้วจิตพอหลังจะเห็นสภาวธรรมเกิดกขึ้นภายในเพราะจิตมันอยางมันมันควรมันควรออกมาเหมือนแบบมนควรถ้ามันอย่างมัจิตมีความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นมันเห็นเลยว่าสิ่งใดสิ่งหนงเกิดขึ้ น, นสิง่ววสนงนั้นทุกอย่างัก็ถอยไปความเข้าใจอตรงนี้มันเหือนข้อที่จิตเป็นความเป็นความจริงไงเวลาจิตสงบจิตจะสามารถเห็นความจริงได้ ทีอันนี้เป็ น, เ ป, นเป็นการเห็นเพียงขั้นต้นเท่านั้นเองขั้นต่อไปก็คือเราต้องรักษาความเห็นนี้ให้คงอยู่กับเราไปตลอดเวลาเราออกจากสภาวะนั้นแล้วเวลาเรามาเจอสภาวะความเป็นจริงเห็นคนตายเห็นพ่อตายแม่ตายเราก็ต้องเห็นธรรมต้องเห็นแบบเห็นธรรมอย่างนั้นถ้าเห็นแบบนั้นใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับการดับของสิ่งต่าง ถ้าเห็นในสภาว่าในสมาธิแล้วพออมาข้างนอกเห็นคนตายก็ร้องหย่ร้องไห้ยอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้เข้าใจไหมงั้นอย่าไปคิดว่าการเห็นในสภาในในสมาธินั้นเป็นตัวที่จะรับประกันว่าเราเห็นแล้วอย่างแท้จริง เ, ออเราต้องมาพิสูจน์ดูกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นวนันจันทร์เป็นกล่องขอันจันทนั่นคือเขาบอกว่าให้ลองดูทั้งสามเดือน ความก็ดูไปเรื่อยๆไม่ว่าสามเดือน่ะดูไปจนทัึงวันตายน่ะถ้าดาบได้ยังมีตัวตนผล่ขึ้นมาก็แสดงว่ามันยังไม่ตายก็ต้องเอามันให้ตายให้ได้ถ้ามันโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ต้องฆ่าเหมือนว่อนั้นถ้ายังมีความยุติดในสิ่งต่างๆก็แสดงว่ายังมองไม่เห็นความดับของสิ่งต่างๆว่าเป็นธรรมดาอันนี้อันนั้นเป็นเพียงแต่ภาวะเริ่มต้นภาวะการเห็นเบื้องต้นเท่านั้นเอง ที่จะเป็นเหมือนกับเป็น เ, เป็นลูกศรเป็นตัวนําทางให้เราดําเนินชีวิตต่อไปแบบนี้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาแล้วเวลามีเกิดมีดับจริงๆขึ้นมาแล้วใจเราเป็นอย่างไรต้องดูตอนนั้นเช่นเดี๋ยวเกิดมีใครขโมยของกลับไปบ้านที่ขโมยขึ้นบ้านขนของหมดเลยดูใจของคนเลยว่าจะว่ายอย่างไงจะจะโวยวายจะเสีย อ, อกเสียใจหรือว่าเออมีเกิดมีดั บ, ดบเป็นธรรมดา ก็นอยู่ตรงนั้นเข้าใจไหมถูกแล้วแต่ต้องทําต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องดับหมดต้องพร้อมที่จะรับกลับมันร่างกายนของเราก็ต้องดับร่างกายของคนหนึ่งก็ต้องดับพร้อมที่จะรับมันหรือเปล่าการเห็นนั้นเป็นเหมือนกับเป็นเห็นหนังตัวอย่างเหมือนเราไปดูหนังตัวอย่างเรายังไม่ได้ดูทั้งเรื่องพอเรา ออกมาจากตรงนั้นแล้วเราก็ต้องดําเนินต่อไปต้องเห็นมันตลอดเวลาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาการพภาวนาคือทำแบบเดิมต่อไปก็ <S <S กดูแลรักษาใจไม่ให้ยึดไม่ให้ติดให้ปล่อยวางไม่ให้อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นอยากไม่ให้สิ่งนั้นดับอย่างไม่ให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้ามันจะดับก็ต้องปล่อยมันดับไปถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ต้องปล่อยมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไป ดูที่ใจว่าทุกข์กมันหรือเปล่าถ้าทุกข์ก็แสดงว่ายังไม่ปล่อยถ้าใจไม่ทุกข์ยิ้มได้ทุกกรณีใครด่าเราก็ยิ้มได้ใครตกหน้าเราก็ยิ้มได้อันนี้ถึงจะเรียกว่าเห็นการเกิดการดับอย่างแน่นอน งั้นเวลาภาวนาเห็นอะไรอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นตกดีใจว่าโอ้ยเราเห็นแล้วเราบรรลุแล้วเราหลุดแล้วมันยังไม่แน่เพราะเรายังไม่ได้เข้าสนามสอบเราอยู่คนเดียวไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรที่ทาถึงกับทำให้เขย่าวขวัญเราต้องไปหาเหตุการณ์ที่เขย่าวขวัญเราเราดูซิว่าใจของเราจะเขย่าตามมันหรือเปล่า mm hmm. อันนั้นแหละเป็นตัวพิสูจน์จริง เช่นนั่งเครื่องบินเครื่องบินมันจะตกเนี่ยดูเสียใจจะขย่าหรึเปล่านา่งรไปรถจะพลิกความนี้เป็นยังไงมันต้องดูตรงนั้นตอนนี้มันปลอดภัยมันยังไม่มีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นแต่มันก็มันก็เข้าถึงภาวะที่จะปล่อยได้เข้าใจไหมเราภาวนาเนี้ยเพือให้เราเข้าไปอยู่จุดที่ปล่อยวางได้ทุกอย่างคือจุดที่เป็นอุเบกขา เวลาจิตสงบแล้วมันปล่อยวางทุกอย่างว่างการหายไปอย่างที่พูดเนี่ยเหมือนกับลอยอยู่ในอาวากาศตอนนั้นจิตยอยู่ตามลําพังแต่เวลามันกลับมาอยู่สภาพเดิมนี้มันจะยังยึดติดกับสภาพเดิมหรือเปล่าหรือมันจะมันจะแยกอยู่ในอาวากาศได้ตลอดเวลาหรือเปล่าอันนั้นต้องรอประการพิสูจน์ดูรอเกิดเหตุการณ์ที่มันเขย่าวขวัญเราดูดูว่าเราจะเราจะมีความ อ, อกสันขวัญแขว น, ขวนหรือไม่ เราจะรู้สึกเฉยๆเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําต่อไปนะควบคุมใจดูจิตนี่เ้าเรียกว่าดูจิตเนี่ยการดูจิตที่แท้จริง ต, ต้องดูหลังจากที่มันออกจากสภาวะนั้นแล้วออกจากสภาวะที่สงบแล้วดูว่ามันจะสงบต่อไปหรือไม่สงบถ้ามันไม่สงบก็ต้องใช้ปัญญาขยับมันให้กลับเข้าไปในความสงบให้ได้อันนี้ถึงจะเรียกว่าดูจิตจริง จะดูจิตได้ต้องดูจิตหลังจากที่จิตเข้าสู่ฐานแล้วเข้าสู่สมาธิแล้วถึงถึงจะดูจิตได้อย่างแท้จริงถ้ายังไม่เข้าถึงสมาธิดูไปก็เท่านั้นดูแล้วก็หยุดมันไม่ได้ทําอะไรมันไม่ได้มันโลภก็หยุดมันไม่ได้มันโกรธก็หยุดมันไม่ได้ถ้าดูอย่างนั้นดูไปก็เสียเวลาไปเปล่าๆต้องดูแบบหยุดมันได้เวลาโกรธปั๊บก็หยุดมันได้ทันทีโลภปั๊บก็หยุดมันได้ทันที กลัวปั๊บก็หยุดมาได้ทันทีนะต้องพยายามดูจิตเรานละต่อไปนะี้อย่าไปดูคนอื่นดูคนอื่นก็ดูดูปั๊บก็ต้อง ย, องย้อนมาดูที่จิตเราทันทีเห็นใครปั๊บก็ต้องกลับมาดูที่จิตเราว่ามีความรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งที่เราเห็นมีอคติหรือเปล่าืหรื อ, รอเป็นอุเบกขาเหมือนเดิมเฉยๆไม่ดีใจไม่เสียใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหรือเปล่า อาจารย์ครับมีคําถามถามแทนสถานการณ์ปัจจุบันหนูครับอา จ, จารย์สถานการณ์ปัจจุบันในขณะนี้ครับเป็นการขุดคุยสิ่งไม่ดีของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติไม่ดีครับแล้วก็เขาก็จะขุดคุยขึ้นออกมากเรื่อยๆอโดยที่คนขุดคุยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยก็จะใช้คําว่าออกมาปกป้องลูกศาสนานะครับแต่ว่าที่เมื่อออกมาเป็นสื่อแล้วเนี่ย คนบางคนที่รับเสษสื่เนี่ยถ้ามีปัญญาก็จะปล่อยวางได้แต่ถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยก็จะมีอารมณ์ร่วมหรือคืด่าส่งต่อไปเลยดังนั้นเนี่ยาการผมป้องพุทศาสนาวิธีนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับไม่ถูกหรอกคือการประนามคนที่ไม่ดีก็เป็นสิ่งที่ควรทำการยกย่องสรรเสริญคนดีก็ควรจะทำ แต่ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเขาดีหรือไม่ดีเขาทําจริงหรือไม่ทําจริงเราก็ยังไม่ควรที่จะไปตัดสินว่าเขาดีหรือชั่วควรจะเป็นช่วงเวลาที่หาข้อมูลก่อนกระบวนการยุติธรรมก็มีอยู่ตอนนี้ทางสื่อเขาตัดสินไปแล้วว่าผิดแต่ความจริงถ้าเอาเรื่องไปถึงศาลในศาลเขาเอาจจะบอกว่าไม่มีหลักฐานก็ได้ เังนั้นเราเราบริโภคสื่อแล้วก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาฟังไปเรื่องการรักษาพระพุทธศาสนานั่นมันมีอยู่สองส่วนส่วนที่สำคัญอยู่ที่ตัวเรามากกว่าส่วนก็คือให้เราศึกษาปฏิบัติทรรมเพื่อให้มีธรรมอยู่ภายในใจเพื่อเราจะได้นำเอาธรรมนี้ไปเผยแผ่ต่อไปส่วนการ จัดการกับบุคคลที่เข้ามาทำลายศาสนาเราก็ทำไปตามเหตุตามกำลังของเราถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ดีเขาแปลกปอมเข้ามามาสร้างความเสียหายพระพุทธเจ้าก็ทรงมีกำหนดไว้แล้วเช่นปาราชิกสีใครมาบวชแล้วก็มาทำผิดปาราชิกสีก็ให้เสร็จลยสิกขาลาเพศไปก็มีขั้นตอนของการรักษา พ, พระพุทธศา ส, าสนาอยู่แล้ว แต่ว่าบางทีเราใจร้อนกันยังไม่ทันได้ข้อมูลที่ครบถ้วนบริบูรณ์เราก็ตัดแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังเคยถูกเขาตู่หาว่าไปทาให้เขาท้องเลยแล้วอยู่ๆเราจะไปตัดสินว่าพระพุทธเจ้าประราชิกได้หรือเปล่าจะแม้เราจะไปฟังฝ่ายเดียวได้หรือเปล่าอันนี้เราไม่ได้พูดเพื่อที่จะ เ, เข้าข้างฝ่ายที่ถูกกล่าวา แต่เราก็ต้องให้ความยุติธรรมถ้าเราอยู่ดีๆมีคนเข้ามากล่าวหาเราอย่างเงี้ยเราจะว่ายางไงทั้งๆที่เราไม่รู้อีหนุยนีย่ไม่เคยได้ทําอะไรเลยแล้วทําไมเมื่อก่อนทำมันไม่โผล่มาเมื่อก่อนนี้ทํามามันตั้งกี่ปีแล้วมันดีคืนดีพอมีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาก็เห็นเข้าลมมาทีนี้ก็เลยฉวยโอกาสอย่างเงี้ยมันจะจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้อีกแล้วดังนั้นผู้ที่เสพนะครับเสพสื่อเนี่ย ควรวางใจผู้เบิกขาใช่ฟังหูไวหูผมจะบอกใหฟังหูไวหูจนกว่ากระบวนการของยุติธรรมกระบวนการสืบสอบสืบสวนอะไรต่างๆถึงขั้นสุดท้ายแล้วก็ปล่อยให้เขาตัดสินไปถ้าเราไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเราเป็นผู้ดูก็ดูไปเท่านั้นเองใช่มมัเนเป็นหน้าที่ของผู้ที่ก็มีหน้าที่ต้องทําใทยมีหน้าที่ก็ไปสืบสวนสอบสวนไปหาข้อมูลก็ปล่อยก็ทําไป เพราะการวิจารณ์ต่างๆไม่ว่าจะทางหนังสือพิมพ์หรือทาง a c e b o o k อินเทอร์เน็ตการแชร์ต่างๆครับอาจารย์ผู้ที่มองไม่ออกเนี่ยมันเสี่ยงต่อการลบหลู่พระรัตนตไัยมากดังนั้นจึงน่าห่วงพวกนี้ฮนะน่าห่วงใช่ถ้าเกิดไปไปเชื่อเขาแบบที่สมัยพระพุทธการที่ก็ไปตู่ว่าพระพุทธเจ้าว่าทำให้เขาท้องเนี่ยคนก็จะไปตกนรกกัน หรือพวกที่ไปเชื่อเทวทัศน์ว่าดีกับพระพุทธเจ้าเก่งกับพระพุทธเจ้าพวกนี้ก็จะตามเทวทัศน์ไปตกนรกกันเพราะว่าบริโภคฟังเพียงข้างเดียวแต่สมัยสมัยนั้นสมัยที่เทวทัศน์ว่าว่าตนเองยกตนข่มพระพุทธเจ้านี้ก็มีภาษาลิบุตรที่พระเจ้าส่งไปให้ไปอธิบายให้พระที่หลงเชื่อเทวทัศน์ฟังว่าสาเหตุทําไมพระพุทธเจ้าถึงทรงปฏิบัติอย่างนั้น พอเข้าใจเขาก็ถอนออกมาเขาก็ไม่หลงตามคําคําสอนของเทวทัตพอเทวทั์ไม่มีสมุนไม่มีสาว ก, ก็เลยตรอมใจตายใชเออเพราะฉะนั้นเราต้องยึดหลักการละมาสูตรเสมอเวลาฟังอะไรการละมาสูตรนี้ท่านทรงห้ามไม่ให้เชื่อสิบประการด้วยกันเราจําไม่ได้ล่ะคืออย่าไปเชื่อเขาว่าเออ พอเขาเป็นพ่อแม่เราเป็นครูบาอาจารย์เราเขาพูดล่ำเลือกันมาฟังแล้วหน้าฟังหน้าเชื่อก็อย่าเพิ่งไปเชื่อคือให้ฟังหูว่ายหูแล้วให้ไปพิสูจน์ก่อนว่ามันจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าอย่างที่เขาว่าพระพุทธเจ้าไปทําให้เขาท้องเนี่ยก็ไปพิสูจน์ดูว่ามันจริงหรือเปล่านี<ม>่ก็ามามาว่าท่านมีลูกกี่คนกี่ภรรยากี่คนก็ให้เขาพิสูจน์กันไปก่อน ถ้าเป็นจริงมันก็มันก็เป็นจริงถ้ามันไม่เป็นจริงมันก็ไม่เป็นจริงตอนนี้ไม่มีใครรู้จริงเป็นเพียงข่าวโผลขึ้นมาเ อ, อมีผู้กล่าวหาโผล่ขึ้นมากันว่อนไปหมดก็ไม่รู้ว่ามีเจตนาลมอะไรหรือเปล่าจากการเอโผขึ้นมาทําไมเมื่อก่อนนี้ไม่โผล่อันนี้เราไม่ได้ไม่ได้พูดเพื่อจะเข้าข้างผู้ที่ถูกกล่าวหานะ พอเราก็ไม่รู้จักท่านอย่าเราพูดแบบว่าให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายคิดถึงเวลาที่เราถูกเขาเขาเกล่าวหามากแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเราไม่ได้ทำอย่างที่เขาว่ากล่าวหาแล้วเราถูกเขาเกล่าวหาอย่างนี้เราจะทำอย่างไรเราก็ต้องทำใจอย่างเดียว้องทาใจเป็นอุบเบกขาไปแล้วก็ให้เขาค้นหากันเอาเองหรือถ้าเรามี อมีหลักฐานมีอะไรไปยืนยันว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าเราก็เอาหลักฐานนี้ไปยืนยันก็เท่านั้นเองซึ่งซึ่งถือว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของท่านเองเป็นกรรมของท่านเอง <c oughs> เราไม่มีสิทธิจะไปเข้าไปยุ่งับเรื่องของท่านทําไมเนี่ยคือคือมันไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วแล้วเวลาเราศึกษา <c oughs> และได้ยนได้ฟังเรื่องของวัตถหล่านี้เรามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือเอามาเป็นบทเรียนสอนตัวเราเองเท่นั้นเอง ถ้าเป็นการกระทําที่ไม่ดีก็อย่าไปทําตามถ้าเป็นการกระทําที่ดีก็ทําตามเช่นเราศึกษาพระพุทธเจ้าประวัติของพระพุทธเจ้ามันดีเราก็ควรจะทําตามเราศึกษาประวัติของพระเทวทัตว่ามันไม่ดีเราก็อย่าไปทําตามเท่นั้นเองเราตอนนี้เห็นพระท่านปฏิบัติตนไม่เหมาะสมอ่ไม่เป็นไม่เหมาะกับสมมณพเพศอยู่แบบรู้หลาอยู่แบบเฟื่องเฟือยเนี่ยวิบากมันก็ตามมาทันตาเห็นไหม ตรงนั้นลบ ก, กันทั้งเป็นยังเห็นนี้เพราะตัวเองไม่ดำลงตนให้เหมาะสมกับการเป็นส ม, มาณะเพศอยู่แบบคารวะผู้เสกกามอยู่ดีกว่าคารวะผู้เสกกรรมซะอีกน่าจะเป็นส ม, มาณะเพศได้อย่างไรยงวิบากมันก็ตามมาทันตาเห็นนะใครจะเชื่อก ร, รมไม่เชื่อกรรำก็ดูวอาวตอนนี้ก็แล้วกันเนี่ยมันเนี่โกฎแห่งกรรมมันปรากฏให้เห็นชัดๆอยู่แล้ว เราไม่ต้องไปซ้ําเติมเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเราทําอะไรไม่ได้หรอกเรื่องของกฎแห่งกรรมเขามีหน้าที่ของเขาถึงเวลาเขาก็จะทําหน้าที่ของเขาไปไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราก็คือควบคุมการกระทําของเราให้มันดีเถิดจะได้ไม่ต้องไปรับข้อกรรมจากการกระทําของเราเดี๋ยวเราไปด่าไปว่าเขาเดี๋ยวก็โดนเขาจับเขาฟ้องร้องหาว่าหมิ่นประมาทก็ยุ่งอยู่ งั้นอยู่เฉยๆเราเป็นคนดูก็ดูไปนะไม่ใช่เรื่องของเราเขาตกนรกเราก็ไม่ได้ตกกับเขาเขาขึ้นสวรรค์เราก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์กับเขา<ม>เราตกนรกเพราะเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดี<ม>เราขึ้นสวรรค์เพราะเราคิดดีพูดดีทดําดีขอให้คิดอย่างนั้นรับดูได้รับรู้แล้วทําใจให้เป็นกลางเป็นอุเบกขา ถ้าเรามีหน้าที่ต้องตัดสินเราก็หาข้อมูลมาแต่ถ้าเราไม่มีหน้าที่ตัดสินเราก็ไม่ต้องไปหาข้อมูลมาปล่อยให้คนที่เขามีหน้าที่ทําหน้าที่ของเขาไปทําใจให้สงบดีกว่ามีความสุขมากกว่าไปวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นเรื่องของชาวบ้านทำไมเพราะสถานการณ์ปัจจุบันท่านอาจารย์ผมเห็น คนมากเลยเงี้ครับที่จะตามลงนรกไปกับเขาด้วยด้วยกัน <c oughs> ไปดาบ้างอะไรบ้างจิตเกิด อ, อกุศลก็ตามก็ไปแล้วกันจิตก็เลยมันุนว่าจิตยังมีอคติอยู่จิตไม่มีอุเบกขาพออะไรมากระทบกับเจะไหลไปตามนั้นทันทีแล้วเผลอ เ, เนี่ยจะลามไปถึงการเสื่อมไม่สัทาในพุทธศาสนาอีกก็เห็นว่า พระก็คือตนไม่เหมาะสมนะครับอาจารย์ทุกครั้งมันมีเหตุการณ์นี้มันก็มันก็คิดอย่างนี้กันทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวสักพักมันก็หายไปแล้ เ, เดี๋ยวก็ไปแห่ไปหาไปกราบไหว้าสาสดาองค์ใหม่ต่อนะอย่าไปสนใจมากเรื่องของโลกเป็นอย่างนี้มีเจริมีเสื่อมไปคิดว่าเป็นกรรมของสัตว์ก็แล้วกัน ทำกรรมบรรไดไว้ดีหรือชั่วก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นจบแค่นี้แหละนะต้อง <c oughs> ต้องถามแทนเขาด้ยวยเชอครับตอนนี้ที่รู้สึกกันอย่างนี้ใครจะถามเลยนะ <c oughs> นเวลาเวลาที่เราขอจะหายลงแล้ว บางบางเพราะวบางที่เราไม่ได้ทานแล้วเราลดลงนี้เลยตอนนี้เรืไปนี่เป็นจุดก็เนี่ยมันก็ดีขึ้นแต่เดี๋ยวว่ามันจะมีกระเนอย่างนี้คะพอถึงเวลาเริ่มทานกันก็เป็นไปได้เพราะว่ามันติดนิสัยการไม่ทานมาก็ต้องบังคับมันต้องต้องเห็นโทษของการไม่รับประทานว่าถ้าไม่รับประทานเดี๋ยวร่างกายก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้การอดอาหารนี่ไม่เพื่อเราไม่ต้องการฆ่าร่างกายเราต้องการฆ่าความอยากฆ่ากิเลสปัญหา เมื่อมันไม่อยากกินก็ถือว่าเราได้ชนะมันแล้วเราได้ฆ่าความอยากกินแล้วเราก็กลับมากินแบ บ, บบปกติกินแบบกินยาถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่กินถ้าถึงเวลาก็ต้องกินเหมือนกระต๊ดถึงเวลาก็ต้องเติมน้ํามันถ้ายังไม่เติมน้ํามัน <S <s เดี๋ยวก็รถก็ไม่มีน้ํามันวิ่งก็วิ่งไปไหนไม่ไหนไม่ได้ต้องกินด้วยเหตุผลแต่ไม่ได้กินด้วยความอยา ก, ก Daddy อใช่ถ้าหลายก็กินเท่านั้นวันละครั้งก็กินมันเท่านั้น เวลานั้นนอกเวลานั้นก็ไม่รับประทานแล้วแต่ต้องรับประทานถ้ายังอยากจะให้ร่างกายนี้อยู่อย่างปกติสุขเราไม่ต้องการทําลายร่างกายการอนอาคตของเรนี้เราต้องการทําลายความอยากตัณหากรารมาตัณหาความอยากในรสของอาหารพอเราไม่มีความอยากในรสของอาหารแล้วเราก็ถือว่าเราทําหน้าที่ของเราเรียบร้อยแล้วเราได้ฆาดตัวที่เป็นปัญหาแล้วทีนี้เราก็กินตามปกติไป ถึงเวลาก็กินไม่ถึงเวลาก็ยังไม่กินได้เอออย่าไปติดอันนี้ก็จะเป็นกิเลสอีกอย่างนี่ไม่อยากกินแล้วนี่ก็เป็นวิภาวะตันหายแล้วเออความไม่อยากกินขึ้นมาก็เป็นตันหายแนละ้วถ้าตัวหนึ่งแล้วก็ไปสร้างตัวใหม่เกิดขึ้นมา มันก็พอไม่กินมากๆมันก็เจ็บคไข้ได้ป่วยมันก็ปฏิบัติทําไม่ได้อต้องพอดีมัชชิมาไงพระเจ้าบอกทางสายกลางอยู่ระหว่างความอยากกับความไม่อยากอยากก็ไม่ดีไม่อยากก็ไม่ดีต้องเฉยๆถึงเวลากินก็กินไม่ถึงเวลาก็ไม่กินไม่อยากกินก็ต้องบังคับให้มันกินบ้างถ้าอยากจะให้ร่างกายอยู่ถ้ายังต้องใช้ร่างกายอยู่ ก็ต้องให้มันกินแต่กินแบบนี้ไม่ทุกข์แล้วสบายแล้วมีกินมีก็กินไม่มีก็ไม่กินก็ได้ไม่เดือดร้อนม่ไหีไม่กินเราก็ไม่ทำกินเที่เราไม่ได้กินก็เราไม่ิเอก็สบายแล้วไม่เดือดร้อนแลวคนเหล่านี้เ็าเดือดร้อนอยากจะตายไปถือศีลแปดไม่กินข้าวเย็นแค่นี้ก็ทากันไม่ได้ละเรานี่อดเป็นวันๆได้ก็สบายแล้วอะเอาแค่นี้เลยนะ อ่าใช่ะไรนี่ก็แล